ต้องขอขอบคุณท่านที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะคะลําดับต่อไปเป็นการฝึกับโครงการบรรยายธ ร, รมะนะคะเรื่องการผ่านจิตอย่างไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานซึ่งสํานัก ง, งานเศรษฐกิจการคลังได้รับเกียรติจากคุณสันนัตรีเวสอ่าซึ่งเป็นนักเขียนชื่อดังนะคะแล้วก็ใช้มีนาปากกาที่เป็นที่รู้จักกันว่าดังตรีนะคะซึ่งผลงานที่โดดเด่นของท่านหลายๆเรื่องนะคะก็จะมีเสียดายคนตายไม่ได้อ่านเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวแล้วก็รักแท้มีจริงน ะ, ะซึ่งเช้านี้เนี่ย มีผู้มาเข้าโรงท่านหนึ่งถามว่าคุณดังตรีมาแบบโตเป็นเป็นหรือเปล่า น, น, นะคะซึ่งวันนี้คือคุณดังตรีมาตเป็นเป็นนะคะแล้วก็ขออนุญาตแนะนําประวัติยียกรโดยย่อสักนิดหนึ่งนะคะประวัติการศึกษาท่านจบนาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญประวัติการทํางานท่านเคยทํางานทางด้านของคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะเป็นซอฟต์แวร์ดีไซเนอร์แอนแล้วก็ทำดังทำนทำโปรแกรมเมอร์ ท, ท, ที่ ISOfact นะคะแล้วก็มีผลงานการขียวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะมีเขียนบทความคอมพิวเตอร์ลงนิตยสาร C1 และ AR รวมทั้งเคยเขียนหนังสือคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักพิมพ์ Provision ด้วยสำหรับงานทางด้านของเรื่องของธรรมะนะคะท่านได้เขียนบทความแล้วก็หนังสือธรรมะร่วมสมัยให้กับสำนักพิมพ์ต่างๆนะคะปัจจุบันท่านมีสำนักพิมพ์เป็นของตัวเองนะคะชื่ อ, อ Howfar Books นะคะซึ่งมีจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือร่วมเป็นหนึ่งในกำลังเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลที่สุดเท่าที่จะสามารถและด้วยวิธีการที่เป็นไปได้จริงนะคะแบบนี้ได้เวลาสมควรนะขออนุญาต เ, เรียนเชิญท่านยกรค่ะก็สวัสดีทีมนนะครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยวันนี้ดีใจไม่ได้พูดแบบ ทำอะไรยากนะแต่ดีใจจริงเพราะว่าเป็นจังหวะเหมาะนะที่จะพูดที่นี่เป็นที่แรกในแบบที่ความเชื่อส่วนตัวนะไม่ได้มาพูดเล่นๆแต่จะอย่างที่ท่านพิธีกรบอกนะครับคือจะใช้ได้จริงที่พานมาเนี่ยถ้าจะพูดเรื่องเจริญสติ เรื่องการทำสมาธิเนี่ย ค, ค่อนข้างจะเชื่อแนละว่าเอออาจจะมีใครได้อะไรไปบ้างแต่จะพูดเรื่องของการทำงานนะเคยไปพูดเยอะนะทั้งองค์กรอะไรต่างๆเนี่ยทั้งั้งเล็กทั้งใหญ่เนะี่ยส่วนมากจะมีความรู้สึกว่าฟังฟังมันไปตามทำ เ, แบบแ เ, เงี่างนั้นเองแล้วก็น แต่ละคนเนี่ยก็จะจับหลักได้บ้างไม่ได้บ้างนะแล้วก็มันมีเรื่องของความเชื่อมันมีเรื่องของการเก็ตนะเอามาลิงก์กับตัวเองในพื้นที่ตัวเองมีอยู่แว็กแควที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมันจะมาโจนกันเด็ดไหมแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมค่อนข้างมั่นใจจากสถิติที่ผ่านมานะที่ได้ทดลองแล้วแล้วก็อย่างที่ได้ ขอรบกวนให้ทุกท่านช่วยเอาหูฟังมาด้วยเนี่ยนะะมีความหมายมากนะครับถ้าวันนี้เราจูนกันตตดนะเข้าใจกันได้จริงๆว่าสิ่งที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมันเกี่ยวกับตัวเราและการทำงานของเราอย่างไรเนี่ยนะเราประกันว่าตลอดชีวิตที่เหลือการทำงานของคุณจะไม่น่าเบื่อเหมือนอย่างที่บรรพั น, นใหม่ต่อไปอย่างที่ที่มิมกล่าวไว้นะในประเภท ส่งเช้าขอเย็นหรือว่าส่งเย็นขอเช้าแหมมันเป็นกิจวัตรที่น่าเบื่อมากแล้วก็ทำให้สมองของทุกคนเนี่ยอ้นละามานไปได้วยความคุงซ่านเะนั้นถ้าเราจัดการขับไล่ความคุงซ่านออกไปจากหัวได้นะเรียกว่าบริหารจิตเบื้องต้นได้แล้วแล้วถ้าหากว่าเรามีวิธีที่แน่นอนนะที่ชัดเจนว่าจะ เพิ่มประสิทธิภาพสมองอย่างไรแน่นอนการทํางานของเราก็จะมีเอฟพีแอนซีถูกสูงขึ้นด้วยเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นผลงานของเรานะจะเร็วจะช้าจะละเอียดหรือประเนี๊ก็าตามมันมาจากวิธีการทำงานของสมองและวิธีการทํางานของสมองเนี่ยนะจิตเป็นนายกายเป็นบา่าวถ้าหากว่าจิตของเรา มีเข้มคิดมีทิศทางที่ชัดเจนมีทิศทางของความปลอดโปร่งนะเส้นทางการเดินของจิตถ้าปลอดโปร่งแล้วสมองก็จะมีความปลอดโปร่งตามไปด้วยนะวันนี้เราจะมาพูดนะครับหัวข้อหลักๆนะมีอยู่ห้าข้อคือเรื่องของการทำฟังหัวใจนะเกี่ยวกับคลื่นสมองมันมีประโยชน์มากนะผมก็มาศึกษา ช่วงหลังๆเนี่ยนะแล้วก็พบว่ามันทําให้ทุกคนเห็นภาพว่าเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเวลาเราคุยกันเรื่องจิตในบางทีนะแต่ละคนตีความไปต่างๆานะนาพูดเรื่องกรรมพูดเรื่องวิบากพูดเรื่องภบภูมเนี่ยนะบางคนคลิกทันทีแต่ในขณะที่หลายๆคนมันเป็นแค่จินตภาพซึ่งมันไกลตัวแต่ถ้าพูดเรื่องคลื่นสมองโดยเอากราฟมาให้ดูโดยเอาไอการจําลอง การทํางานของสมองมาให้ดูเนี่ยมันเก็ตทันทีแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นเดี๋ยวเราจะดูกันนะว่าเราจะเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นได้อย่างไรจากการทำความเข้าใจเรื่องคลื่นสมองเสร็จแล้วนะฮะหลังจากที่ได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับคลื่นสมองแล้วก็บอกตัวเองถูกว่าเนี่ยกาลังอยู่ในภาวะแบบไหนของคลื่นสมองนะฮะเราก็มาพูด เรื่องทุนแรงซึ่งหลายๆคนผมเชื่อว่าน่าจะเข้าไปลองดาวน์โหลดมาดูแล้วแต่วันนี้เราจะมาทำด้วยกันนะครับจากนั้นก็จะมาพูดถึงวิธีการทำงานที่ถูกต้องคือเมื่อเราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเคลื่อนสมองนะแล้วก็ได้เครื่องตุ้นแรงมาช่วยปัดเป่าความพุ่งซ่านไล่ความพุ่งซ่านออกจากหัวได้แล้วเนี่ย เวลาพูดเรื่องการทำงานที่ถูกต้องเนี่ยมันเคลียร์มันชัดเจนนะจะไม่ต้องมาสงสัยกันว่าเ้ยที่หลักการว่าทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมีหนึ่งสองสาขั้นตอนอะไรยังไงมันไม่ต้องแล้วนะแต่มันมีแค่จุดเดียวง่ายๆออกมาจากใจของเราเปรียบเทียบนั่นแหละว่าถ้าใจยังมีความมุ่งมัน่นยังมีความปลอดโปรงยังเดินหาเป้าหมายได้อย่างชัดเจนตามลาดับเนี่ยนะมันจะไม่ถึงสั้น มากเท่าเก่าถึงแม้มีความคุ้งคลานบ้างก็ไล่ออกจากหัวได้ง่ายๆแม้ไม่ต้องใช้เครื่องทุ้นแรงก็าตามเสร็จ แ, แล้ว เ, เราจะแผ่เมตตาร่วมกันเมื่อแผ่เมตตาร่วมกันคุณจะเกิดสัมผัสในที่นี้มีอยู่ประมาณหนึ่งร้อยคนเนี่ยนะคุณจะเข้าใจว่าการแผ่เมตตาที่ถูกต้องไม่ใช่เริ่มจากการมาท่องงื่อนงำว่าสัพเพสัตตาอเวราผลตุ แต่มันต้องตั้งจากความรู้สึกเป็นสุขภายในสุขจริงๆไม่ได้แกล้งเป็นสุขไม่ได้แกล้งยิ้มนะมันมีความสุขในแบบที่จิตเนี่ยรู้สึกถึงประสบการณ์อีกแบบหนึ่งที่สามารถแผ่ออกไปได้แล้วถ้าแผ่ออกไปในที่ ท, ที่มีคนนะแผ่ร่วมกันเนี่ยมันสามารถสัมผัสถึงความสุขภายในและความสุขของภายนอกได้ซึ่งจะมีความสําคัญมากนะ ถ้าเราสามารถสัมผัสถึงความสุขของคนอื่นได้เราจะนึกอยากแผ่มเมตตาจริงๆมันจะเวลาออกไปนอกห้องแล้วเนี่ยจะต้องไปเจอใครก็ตามที่ดีกับเราหรือไม่ดีกับเราก็ตามเนี่ยเราจะสามารถสัมผัสรู้สึกถึงความทุกข์ถึงความกระวนกระวายอันเป็นทุกข์ของเขาเนี่ยแมได้แล้วก็นึกอยากจยากแผ่เมตตาให้หมายความว่าเราอยากให้เขาอสงบลงมีความสุขมากขึ้น ออกมาจากใจจริงๆนี่แหละที่เรียกว่าแผ่เมตตานะจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายคือถามตอบถ้ามีเวลาเหลือน ะ, อะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ไปดาวน์โหลดมานะครับขอรบกวนเลยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ต้องถ้าถ้าไปถ้าไม่ถนัดทางไอทีนะคือแค่เข้าไปที่นันท r i น .com/bb ใหญ่ เดี๋ยวเล่นแบบสตรีมก็ได้เพียงแต่ผมกลัวว่าถ้าเล่นพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันบางคนอาจสะดุดบางคนอาจจะได้อะไรแบบนี้เนี่ยนะก็เลยเอบอกทางผู้จัดไว้ก่อนล่วงหน้าว่าอยากขอให้ทุกคนดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องนะฮะเวลาถึงเวลาที่จะม า, อาลองของจริงกันเนี่ยมันจะได้ไม่มีการติดขัดนะครับเอาละ เพื่อเข้าใจว่าสมองมันทำงานจริงๆยังไงนะะเรามาดูไอ้สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการจำลองการจำลองนี้ไม่ใช่จำลองในแบบที่ใช้ค อ, อมพิวเตอร์กราฟิกสร้างขึ้นมาลอยๆนะแต่จะเป็นการจำลองในแบบที่หรือจะมีคนคนหนึ่งนะะมานั่งสวมหมวกที่ มันสามารถดีเทคไอคือคือแบบว่าเป็นเป็นไอเครื่อง EEG อ่ยนะแล้วก็รายงานผลได้แบบ r ร a l Time เลยนะว่าสมองเนี่ยกำลังทำงานอยู่ยางไรเพื่อให้ทุกคนเห็นนะครับผมได้เอามาให้ดูนะอันนี้เป็นคลิปที่ได้มาจาก n e u r รสเคลียนะเป็นสถาบันที่วิจัยกันจริงๆแล้วภาพที่เราจะเห็นตอบอันนี้ไม่ได้ทำกันง่ายๆนะ มันเกี่ยวข้องกับเครื่อง MRI นะสแกนสมองเป็นสามมิตินะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเครื่อง e EEG นะที่จะมาตรวจวัดว่าตอนนี้คลื่นความถี่ของสมองเนี่ยมันไปถึงไหนนะครับแล้วก็จะมาเอามาเรนเดอร์ด้วยโปรแกรมสามิติที่เรียกว่า u n i t e นะที่คุณเห็นนะครับอันนี้นะมันเป็นโครงข่าย เครือข่ายประสาทของสมองนะที่อันนี้เป็นของจริงนะที่เห็นกระพริบวิบวับวิบวับนี่ยนะก็คือนิวรอนหรือว่าเซลล์ประสาทแล้วที่มันคุยกันเนี่ยมันคุยกันผ่านกระแสไฟฟ้าในสมองเนี่ยคือความเด็วจริงๆนะทีะ่มันสื่อสารกันซึ่งสมองแต่ล ะ, ะประเภทเนี่ยนะมันมีความเร็วความช้าไม่เท่ากัน เห็นบางสายมันก็เร็วบางสายมันก็ช้ากว่านะซึ่งถ้าหากว่าเราเออทำความเข้าใจตรงจากภาพความจริงตรงนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ขั้นต่อไปได้ไง่ายขึ้นนะฮะคือสมองมันมีอยู่หลายคลื่นนะแล้วก็ทมีการสื่อมีการคุยกันระหว่างเซลล์ประสาทเนี่ยพร้อมๆกันเกิดขึ้นพร้อมๆกั น, มมกนแม้ว่าคุณจะกำลังหลับลึก อ, อยู่ รู้สึกว่าไม่ได้สติอยู่หรือแม้แต่เป็นคนที่อยู่ในภาวะโคม่า ก, ก็ตามนะฮะมันจะมีการสื่อมันจะมีการคุยกันระหวา่างเซลล์ประสาทสมองอย่างนี้เสมอนะครับตลอดเวลาอ่ะทีนี้เรามาจำแนกกันนะว่าเรื่องสมองแต่ละประเภท มันมีความแตกต่างกันอย่างไรและมีผลกระทบกับการทํางานของเราอย่างไรซึ่งถ้าคุณเข้าใจตรงนี้นะมันจะทําให้คุณไปเจริญสติหรือว่ามีความรู้เหนือรู้ตัวว่าตอนนี้เรากําลังโกรธก็วายเกินไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เรามีความสงบจนกระทั่งขี้เกียจหรือเปล่านะอ่ะดูจากล่างสุดเลยอครึ่งสมองที่มันช้าที่สุดนะ อันนี้เรียกว่าเดลต้าช้าสุด น, นะจะมีอยู่ไม่เกินสี่รอบคลื่นตอนหนึ่งวินาทีเนี่ยนับดูนะหนึ่งสองสามสี่นับยอดภูเขาน ะ, ะถ้าขึ้นมาเร็วขึ้นมากว่านั้นเราเรียกว่าคลื่นเพต้านะแล้วว่าเร็วกว่านั้นคืออัลฟาเร็วกว่านั้นคือเบต้าและเร็วสูงสุดคือแกมมาเวลาเราพูดถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพหรือการทำงานแบบ คนมีคาริสมาเป็นผู้นำผู้นำระดับประเทศจะเป็นนาชามหากาษัตริย์จะเป็นนายกจะเป็นดารานักร้องที่ดูมีคาริสมาแล้วก็ดึงดูดตาคนได้เนี่ยต้องมีคลื่นแกมมาเยอะๆคือพูดง่ายๆนะต้องมีลักษณะของคลื่นสมองที่ทำงานถี่มากๆแต่ถี่ยังเป็นระเบียบด้วยนะครับถ้าหากว่าตอนนี้เขามีการค้นพบนะจากการที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เกี่ยวกับสมองเนี่ยมันเข้าถึงเนี่ยเขามีการค้นพบว่าถ้าคลื่อนกันมากเนี่ยมันขี่มากๆเนี่ยนะเป็นไปได้ที่คนเราเนี่ยจะมีพลังจิตขึ้นมาจริงๆหรือมีความยัดมีความอย่างรู้นะที่คนอื่นไม่มีอย่างผู้นําที่เป็นผู้นําองค์กรจริงๆเนี่ยแล้วนะสามารถพาองค์กรรอดได้เนี่ยนะในระดับโลกก็ตามหรือในระดับประเทศก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความรู้ที่คนอื่นๆไม่มีหรือคิดไม่ถึงนะะ ก็เพราะตรงนี้แหละมีคลื่นแอมมาสูงๆนะยังคลื่นแกมมาเนี่ยเขาตัดค่ากันที่40เฮิรตซ์ถึง100เฮิรตซ์แต่บางแผ่นบางแ lap นะก็บอกว่าเป็น30เฮิรตซ์หรือว่า27เฮิรตซ์มันแล้วแต่ความเชื่อหรือมุมมองของแต่ละแหละอันนี้ผมเอามาจาก busit .me นะซึ่งผมเชื่อข้อมูลตรงนี้ ม, มันมีเหตุผลเบื้องหลังการเชื่อน ะ, อะเพราะดูจากรายละเอียดที่เขาบอกผลวิจัยอะไรต่างๆมาเนี่ยนะแต่ผมจะเอามาสแสดงให้ดูเพื่อให้เกิดความเข้าใจเท่านั้นนะในเบื้องต้นว่าคลื่นก a ม m a เป็นคลื่นของคนเก่งนะแต่ถ้าเก่งเกินไปมันเครียดได้แลนะลองลงมานะครับที่มีสปีด ต, ต่ำลงมาคือเบตา้า เบต้าแบบนี้เนี่ยนะที่คุณเห็นรอบคลื่นเนี่ยมีอยู่สิบสองถึงสี่สิบรอบคลื่นต่อวินาทีเนี่ยนะมันเป็นคลื่นแบบชิดๆนึกๆเอานะไม่จำเป็นต้องอโฟกัสเฉียดคมมากเวลาคุณนึกถึงใครบางคนพยายามนึกชื่อเขานึกไม่ออกนะแล้วก็พยายามนึกอยู่นั่นแหละอันนี้ก็คือคลื่นเบต้าหรือแม้กระทั่งคุณกำลังคิมงานอยู่กำลังตั้งอกตั้งใจทำงานตามอัตโนมัต นะอย่างนี้ก็อยู่ในข่เบต้าเหมือนกันนะอย่างแกมมานี่คือไม่ใช่ขึ้นของคนเก่งเสมอไปนะแม้แต่คุณขับรถมาตอน เ, เช้าๆแล้วรถติดปวดฉี่ระวนกระวายเมื่อไรจะถึงสักทีนะเห็นไฟแดงแล้วเกิดความรู้สึกไฟแดงมันหลอกหลอนคุณนะมันห้ามมันเหมือนกับเป็นมือปีศาจที่ห้ามไม่ให้คุณไปนะขับถ่ายอะไรแบบนี้เนี่ยนี่ก็ขึ้นแกมมาเหมือนกันแต่ถ้า คุณฉี่เสร็จนะแล้วมาคิดเรื่องงานตามปกติอย่างนี้ก็ลงมาเบตา้านี่ถ้าคุณผ่อนคลายได้นะครับมีความรู้สึกสบายๆอย่างเช่นไปมองต้องฟ้าไปดูทะเลหรือฟังเพลงที่ชอบอย่างนี้มันจะลงมาที่อัลฟาอัลฟาเนี่ยเป็นคลื่นของความผ่อนคลายจำไง่ายๆแค่นี้ก่อนนะส่วนเทตา้านะมันจะอยู่ในระดับที่หลายๆคนเข้าใจว่า มันเป็นสมาธิแต่เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับแล้วถ้าเดลต้าเนี่ยมันจะเป็นคลื่นแบบชา้าช้ามากๆเนี่ยนะคุณจะรู้สึกว่าสบายมีความสุขแต่ถ้าหากว่ามากเกินไปนะมันก็จะเกิดความขี้เกียจขี้เกียจคิดขี้เกียจทำงานขึ้นมาอพอเรามาทำความเข้าใจโดยภาพรวมนะเห็นแบบนี้ว่า คลื่นสมองของเรามีการทำงานอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเหมือนกับที่คุณเห็นเมื่อกี้เนี่ยนะที่ที่เราเพิ่งเห็นการจำลองการทำงานของสมองเป็นสามมิติออกมาเนี่ยนะมันมีคลื่นทุกคลื่นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา <S <S <P> เพียงแต่ว่าคลื่นไหนจะถูกนำจะถูกดึงออกมาเป็นพระเอกยกตัวอย่างเช่นเวลาที่คุณรู้สึกผ่อนคลายสบายใจงานเสร็จแล้วฟังเพลงนะอย่างนี้ คลื่นอัลฟามันก็จะถูกดึงมาเป็นพระเอกมันจะเด่นนำขึ้นมาในขณะที่คลื่นอื่นๆถูกตักถอยออกไปเป็นแบล็กกราวด์คือมันจะไม่แคอคพีดเท่ากับ Alpha, นะอัลฟานะแล้วทีนี้ถ้าคลื่นจังแม่เด่นนำขึ้นมาเป็นยังไงอันนี้ผมตั้งชื่อเล่นให้นะอันนี้ไม่ได้ถูกต้องตามหลักที่ซิมป์แมนฟอยตั้งเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของจิตสำนึกจิตไร้สำนึกอะไรพวกนี้นะ แต่ผมจะเรียกเพื่อให้จํา ง, ง่ายๆเพื่อให้เก็ตเห็นภาพคร่าวๆได้ไง่ายๆนะว่าขค้ื่อแกนมาเนี่ยเปรียบเหมือนกับจิตเหนือสำนึกคือบางทีเนี่ยไม่จำเป็นต้องคิดก็สามารถรู้ขึ้นมาเองได้นะอย่างพวกเล่นพลังจิตผมเคยเห็นสดๆเลยนะเวลาไปเข้าเครื่อง EEG เนี่ยตรวจขึ้นนสมองเนี่ยมันตีทีแบบแทบจะทะลุ ก, กระดาษเลยแล้วมันถีมาก แต่เป็นทีแบบมีความสเสถียร น, นะไม่ใช่ทีแบบสเปสสปะอย่างเนี้ยที่คุณเห็นเนี่ยเขาเรียกทีแบบสเปสสปะานะคือมันมีขึ้นความสูงมีความสูงของคลื่นเนี่ยสูงบ้างต่ำบ้างไม่เท่ากันอันเนี้ยเป็นไปได้ที่มันจะเกิดความกระวนประวายขึ้นมามันอย่างเวลาปวดทีมากๆตอนเดินทางบนถนนอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็น อ, อแกรมมาได้เป็นแกรมมาแบบสเปสสปะแต่ถ้าหากว่า พื้นแบมแม่นี้มันเด่นนําขึ้นมาในสมองนะมันจะมีความตื่นตัวสูงมีพลังงานสูงคุณจะรู้สึกถึงว่าตัวเองเนี่ยมี energy แล้วก็สามารถทํางานซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วมีใช่ไหมบ า, บางวันเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณสามารถคิดงานหลายๆงานได้เสร็จอย่างรวดเร็วต่อเนื่องในเวลาอันสัน้นขณะที่บางวันเนี่ยนะคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกแล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องค่อยๆละเรียดนะ แล้วระเลียดไปเนี่ยบางทีเอาจับต้นชนปลายไม่เคยถูกนะอผิดเอาความคิดเอาอข้อมูลเนี่ยมาจากแบบปิดฝ่าผิดตัวแบบเนี้ยมันก็คือว่าขึ้นแกมมาไม่ได้เน้นหนักเด่นนําขึ้นมาถ้าขึ้นแกมมาเด่นนําขึ้นมานะมันจะทํางานซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วนี่มันมีข้อดีข้อเสียคือถ้าแกมมานะเป็นระดับของแกมมาเนี่ยมันมีอยู่พอดี มันจะมีความรู้สึกว่าสมองของเราจิตใจของเราเนี่ยเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆได้ง่ายเรียนรู้ได้เร็วนะจดจําได้ดีแล้วก็เวลามาทําสมาธิเนี่ยสมาธิจะสะเทือนนะแต่ทํามากเกินไปมันจะมีความรู้สึกกังหวนกระวายผุ้งซ่านจัดเหมือนใกล้บ้านนั่นแหละเวลาที่คุณรู้สึกว่าทํางานหนักเกินไปหรือว่าว้าวุ่นใจมากเกินไปเรื่องส่วนตัวก็มาเรื่องงานก็มีนะมากกดดันทุกทิศทุกทางเนี่ย อันนี้แกมมากถ้ามันมากเกินไปนะมันจะมีความรู้สึกราวกับว่าอกจะระเบิดหัวมันจะแตกนะนี่แหละตรงนี้คือพิ่มแกนมากมากเกินไปถ้า น, น้อยเกินไปมันก็จะทําให้ซึมเศร้าได้หรือสมาธิสั้นคือรู้อะไรได้แค่แปบ๊บเดียวนะมันมันมันรู้แบบโฟกัสเข้าไปอย่างหนักนะแปบ๊บเดียวมันถอนออกมาแล้วแล้วก็จะเรียนรู้ได้ยากด้วย ยิ่งเวลาคุณพยายามทำสมาธิยิ่งแล้วใหญ่เลยเคยเคยใช่ไหมเวลาที่พยายามจะทำสมาธิแล้วเกิดความรู้สึกตึดอัดใจเกิดความรู้สึกเต็งเนื้อเต็งตัวเกิดความรู้สึกกระวนกระวายอยากออกจากสมาธินี่แหละตรงนี้แหละทีเ่เป็นตัวบอกนะว่าแกมมาของเรากำลังน้อยเตือนไปอยู่นี่เวลาที่เราทำงานเนี่ยเรารู้แค่นี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์แล้วนะ อย่างเวลาที่คุณรู้สึกว่าใจคุณสบายสบายสามารถทํางานกับคนอื่นได้ในแบบที่พูดกับเขาฟังเขาเข้าใจเข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้เร็วแหมเขาพูดยังไม่ทันเสร็จหรือแม้กระทั่งเขาพูดแบบจับต้นชนปลายไม่ค่อติดแต่เราสามารถที่จะประมวลผลได้อย่างรวดเร็วว่าเขาพูดถึงอะไรอันนี้แหละคือคลื่น g a m m า ก, กําลังพอดี ถ้าคุณรู้ตัวว่าอตอนเนี้ยกําลังสามารถเชื่อมโยงสิ่ ง, งต่างๆได้ง่ายอันเนี้ยบอกตัวเองได้นะว่าแก้มหน้าเนี่ยมันกําลังอยู่ในระดับที่พอดีอยู่แต่ถ้าหากว่าคุณเครียดมาทั้งวันงานไม่เสร็จสักทีรููก็โทตามนะแล้วก็เพื่อนร่วม ง, งานก็บอกว่ายังไปไหนไม่ได้นะต้องเอาตรงนี้ให้เสร็จตอน นี่ตรงนี้เนี่ยบางทีนะมันเกิดความกระวันระวัยขึ้นมาแล้วก็พึ่งแรนมากเนี่ยมากเกินไปมันเกิดความ ร, รมาู้มมกกสึกคลุ้งคลาดแล้วก็ไม่มีความสามารถที่จะลงมาจดจ่อกับไอ้สิ่งที่มันธรรมดาธรรมดาได้อยากจะทําอะไรที่มันเสร็จเร็วๆใจร้อนเะนี่ยพูดง่ายๆอยากจะกระโดดกระโจนไปถึงทงให้ได้ภายในสองนาทีนี้ยิ่งรู้ว่าไม่ได้เปนไ ม, ไม่ได้สองนาทีเนี่ยมันไม่ใส่หลอกนะ มันยิ่งแล้วใหญ่เลยมันยิ่งเร่งเร่งเร่งขึ้นมานะตัวอาการที่รู้สึกว่าเร่งร้อนแล้วก็จับอะไรไม่ติดเนี่ยตัวนี้แหละคือแกร่มากมากเกินไปในขนาที่ถ้าน้อยเกินไปคุณสามารถบอกตัวเองได้เลยว่าคุณจดจ่ออยู่กับอะไรได้แค่สั้นๆนะชัดเจนแต่ว่าสั้นๆ ถ้ายาวกว่านั้นคนมาพูดยาวกว่านั้นนานกว่านั้นเยอะไปเนี่ยนะไม่รับรู้แล้วอันนี้คือแกมม่าน้อยเกินไปนะครับพอมันมีความเห็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันพูดเรื่องจิตหรือพูดเรื่องโฟกัสได้เข้าใจกันง่ายขึ้นนะต่อมาพื้นเบตา้าซึ่ง มีความถี่นะ 22-40 รอบคลื่นต่อหนึ่งวินาทีอันนี้ผมตั้งชื่อเล่นไว้ง่ายๆว่าเป็นจิตสำนึกคือเวลาฝรังเขาพูดถึงคลื่นเบต้าเขาจะพูดให้เข้าใจง่ายๆว่าเป็นพิงคือกำลังคิดนะคิดแบบคนปกติเวลาที่คุณคิดถึงใครสักคนหนึ่งเวลาที่คุณคิดถึงงานตรงหน้าที่มันไม่ได้ยากเกินไป ที่มันไม่ได้ง่ายเกินไปนะคิดแบบมีโฟกัสอันนี้มันจะอยู่ในคลื่นระดับเบตา้านะถ้ามันเด่นนําขึ้นมาเบต้าเนี่ยนะสมองเนี่ยนะถ้าถ้าคลื่นเด บ, บต้ามันเด่นนําขึ้นมาจะเกิดความรู้สึกตื่นตัวเนี่ยตื่นตัวแบบตามปกติแบบนีนะ้แล้วก็มีความสามารถที่จะรับรู้อย่างมีเหตุผลนะแล้วถ้าคลื่นเบต้านี้มีระดับกําลังพอดีคุณจะมีความสามารถที่จะโฟกัส สามารถคิดเลขนะสามารถคิดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆสามารถพูดสื่อสารกับค น, นอื่นๆรวมทั้งสามารถทํางานได้อย่างดีอันนี้คือพอดีนะถ้าเบต้านะพูดง่ายๆนะเป็นคลื่นระดับความคิดธรรมดาทั่วไปถ้าพอดีแล้วก็จะทํางานออกมาได้แต่ถ้ามีค่าสูงอันนี้นะมันจะไปจํากัดคลื่นอัลฟาเรายังไม่ได้พูดถึงคลื่นอัลฟาแต่อันนี้พูดล่วงหน้าว่า คุณจักไม่สามารถทักผ่อนได้เวลาคุณคิดถึงใครไม่หยุดเวลาคุณคิดถึงแฟนไม่เลิกเวลาคุณพ่วงกังวลเกี่ยวกับลูกหรือหลานนะหรือกําลังนึกว่าเอ้แฟนเนี่ยไปไหนกันแน่นะฮะในตัวนี้แหละที่มันจะบล็อกไม่สามารถทําให้สงบจิตสงบใจไดนะ้อันนี้คือมีค่าเบต้ามากเกินไปคือคิดอะไรบางอย่างมากเกินไป แต่ถ้าน้อยเกินไปมันจะซึมเศร้าเนี่ยเห็น ไ, ไหมอะไรก็แล้วแต่ที่มันน้อยเกินไปนะมักจะทําให้รู้สึกเศร้าๆอยู่รู้สึกหวิวๆอยู่รู้สึกว่าน้อยใจรู้สึกว่าเออ่มันไม่อยากไปรับรู้โลกความจริงนะแล้วก็ขาดความสนใจไอ้ประเภทที่นะทําทํางานอยู่ดีๆเนะี่ยแล้วเกิดความรู้สึกว่าเอ้ยไม่แครแล้วจะโดนไล่ออกก็ช่างมันนะ ขอนั่งเฉยๆเจ้านายมาก็เนี่ยจะเฉยอยู่อย่างนี้แหละนะี่นี่แหละตรงนี้แหละคือขาดความสนใจไม่แคล้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของตัวเองอีกต่อไปนะตรงนี้มันเป็นที่มาของโรคสึมเศร้าถ้าหากว่าเบต้าเนี่ยมันน้อยไปนานๆต่อเนื่องเข้านะหลายคนทุกวันนี้จดจำไว้ว่าโรคสึมเศร้าเป็นอาการผิดปกติของสมอง แหสมองหลัง่งสารเคมีอะไรที่มันไม่ดีออกมาลังอะดรีนาลีนออกมามากๆแต่จริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากพวกนี้คือคุณคิดไม่ถูกนะปล่อยให้อารอมณ์ของตัวเองมันเตลดิดหรือไม่ก็สนใจอะไรน้อยเกินไปต่อเนื่องมากเกินไปหลายวันหลายเดือนหลายปีมากเกินไปจนกระทั่งสมองมันไม่อยากจะไปจดจอ่อกับอะไรอีกแล้วเนี่ยตรงนี้แหละที่คําว่าน้อยเกินไปนะฮะ ขึ้นต่อมาขึ้นคลื่นอัลฟาคลื่นอัลฟาเป็นคลื่นยอดปรารถนาสําหรับทุกคนเพราะอะไรเพราะว่ามันทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลามันทําให้คุณรู้สึกสบายอันนี้ผมได้ตั้งชื่อเล่นให้มันว่าจิตตึงสํานึกหมายความว่ามันเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างจิตแบบคิดกับจิตแบบไม่คิดจิตแบบไม่คิดเรายังไม่ได้พูดถึงนะมันคือคลื่นเทต้าแต่คลื่นอัลฟาเนี่ยนะ มันจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเบต้ากับเดตา้าหรือให้คิดง่ายๆว่าระหว่างตัวคิดกับตัวไม่คิดเนี่ยมันจะมาเจอกันที่ตรงนี้เวลาที่คุณคิดงานไม่ออกเวลาที่คุณอยากสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาอย่างเวลาตอนเด็กๆอย่างวัยรุ่นวัยเรียนนะอยากจะสร้างผลงานอะไรออกมาให้เป็นที่ประหลาดใจเป็นที่ประทับใจของอเพื่อนๆแล้วนึกไม่ออกไอ้ตรงนี้แหละคือไม่ได้อยู่ในคลื่นอันฟว้า มันไปอยู่ในเบต้ามากเกินไปนะแต่ถ้าหากคุ้นมาอยู่ที่แอลฟาเกิดอะไรขึ้นนะมันสามารถที่จะรู้สึกเออพักผร อ, อยู่แล้ว <c oughs> อยู่ๆมันอยู่เรก้าขึ้นมาเอง <c oughs> เออนึกออกแล้วจะทํำยังไงอันนี้แหละคือการเจอกันระหว่างขึ้นเบต้ากับขึ้นเตต้าเตต้าอะไยังไม่ได้พูดถึงนะเดี๋ยวจะพูดในลําดับต่อไปถ้าขึ้นแอลฟามันมีระดับพอดีคุณจะรู้สึกผ่อนคลาย อย่างเช่นเสร็จงานแล้วไม่มีความกังวลต้องคิดงานอีกต่อไปแล้วและมีความเพลิดเพลินสบายใจสบายอารมณ์ที่จะฟังเพลงนะอย่างนั้นมันเกิดความรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาเต็มที่นั่นแหละเรียกว่าคลื่นอัลฟ่าอยู่ในระดับพอดีกำลังพอดีแต่ถ้าอัลฟ่ามากเกินไปมันก็ไม่ดีนะคือคนเนี่ยนึกว่าบอกอัลฟ่าดีนะมันผ่อนคลายก็นึกว่าจะให้มันมีอัลฟ่ามากมนกะ ไปพยายามพักผ่อนนานๆแล้วคุณก็จะพบความจริงว่าเวลาทักร้อนได้นานจริงเนี่ยมันกลายเป็นขี้เกียจแล้วก็ใครเป็นรู้สึกเหมือนกับว่าไม่สามารถกลับมาตื่ตัวได้อีกง่ายๆเนี่ยนะมันเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นอากาศที่มากเกินไปจะทําให้เกิดอาการฝันกลางวันนะขาดโอกัสแล้วก็สมองเนี่ยเข้าหมดมีโรคความจริง นึกออกใช่ไหมเวลาที่เราฝันรางวันมากๆเนี่ยใจมันจะไม่อยากกลับมาคอนเน็กตกับโลกความจริงอีกนะแต่ถ้าคลื่นเอาฟาน้อยเกินไปมันไม่มีการพักผ่อนเนี่ยมันก็เดาได้ง่ายๆนะเกิดการเครียดเครียดสะสมใครก็ตามนะที่ทํางานแล้วรู้สึกว่าไม่อยากมาทํางานอีกแล้วเพราะมันเครียดเหลือเกินอันนี้แหละคือคลื่นเอาฟามันน้อยเกินไปคุณปล่อยให้ตัวเองเนี่ยอยู่ใน ช่วงเบต้าหรือแกมมานานเกินไปนะไม่รู้จักพักผ่อนไม่รู้จักที่จะมาดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวทะเลหรือว่าคุยกันเรื่องเบาๆเบาสมองนะมีแต่คุยแต่เรื่องหนักๆคุยถึงเรื่องหนักๆค่าเดียวนะมันก็พอคืนอัลฟาไม่มีนานเข้าคุณก็เทียด จ, จัดเป็นปกติแล้วต้องพึ่งยาอันนี้แหละที่มันเป็นที่มานะ ขึ้นต่อไปเต้ารอบคลื่นมันแค่สี่ถึงแปดหมายความว่าหนึ่งวินาทีเนะี่ยนะมีรอบคลื่นความคิดไม่เกินแปดลูกเท่านั้นไม่ไม่เกินแปดคลื่นเท่านั้นผมตั้งชื่อให้เป็นชื่อเล่นประมันนะผมตั้งเองนะคือจิตใต้สำนึกถ้าเป็นจิตใต้สำนึกแบบซิกมันฟลอยเนี่ยมันจะรวมเอาจิตใต้สำนึกเข้าไว้ด้วยนะเป็น เ, เหมือนกับพูดง่ายๆแบบแรงผลักดัน ที่เราไม่รู้ตัวว่ามันมาจากไหนมันมาจากประสบการณ์ในชีวิตนั่นแหละนะแล้วผลักดันให้เราพยายามทำอะไรอย่างหนึ่งอยู่ตลอดเวลาหรือค้นหาควานหาคำตอบของชีวิตบางอย่างนะหรือมีผลนะบีบให้เราเนี่ย เ, เกิดพฤติกรรมบางบางอย่างนะที่บางทีเราก็ไม่เข้าใจด้วยเองอันนั้นเป็นเรื่องของซีมันฝอยนะแต่จิตใต้สำนึกในที่นี้ในความหมายนี้ในนิยามนี้ หมายถึงจิตที่ไม่คิดคืออย่างอัลฟาเนี่ยมันครึ่งคิดครึ่งไม่คิดมันปล่อยตัวปล่อยใจสบายกล้าเนื้อผ่อนคลายนะแต่ว่าจิตใต้สำนึกหรือว่าไอ้คลื่นเทต้าเนี่ยมันยิ่งกว่านั้นมันอยู่ในระดับที่จิตเนี่ยนะรู้สึกถึงความเป็นตัวเองรู้สึกถึงภาวะที่พร้อมเปิดรับนะไอ้ตรงนี้เนี่ยพวกนักสะกดจิตเขาถึง ได้เอาไปใช้พยายามทํำยังไงก็ได้ขอให้เครื่องสมองเนี่ยมันลงไปอยู่ที่ระดับเตต้าให้นานที่สุดเพราะอะไรเพราะว่ามันสามารถใช้สะกดจิตได้ง่ายๆนะแล้วเวลาเขาจะรักษาจิตกันเนี่ยพวกจิตแพทย์นะเขาก็ใช้พืชนี้แหละในการเข้าไปรักษาเพราะว่ามันยอมรับอะไรได้ง่ายยอมรับคําสั่งได้ง่าย รวมทั้งคนที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการสะกดจิตตัวเองหรือว่ามาสั่งจิตให้ตัวเองเนี่ยนะโปรแกรมให้จิตตัวเองเนี่ยมันเป็นไปในทางที่ดีขึ้นคิดบวกมากขึ้นโดยไม่ต้องเค้นเนี่ยอย่างเนี้ยเขาก็ใช้คลื่นเพต้ากันอันนี้ก็เลยเป็นข้อดีที่เขาตั้งข้อสังเกตกันนะว่าชาเตเพต้าเด่นนําคลื่นอื่นขึ้นมาเนี่ยมันใช้เปลี่ยนความคิดของตัวเราเองได้หรือยอมให้คนอื่นเนี่ยมาเปลี่ยน ความคิดของเราได้เช่นจิตแพทย์เวลาที่เขาจะรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนไข้นะแล้วอยากให้จิตแพทย์มารักษาก็จะลงไปอยู่ที่คืนนี้แหละคิดน้อยแต่ว่าก็คิดอยู่เหมือนกันนะถ้าหากว่าเทต้ากอดีนะมันยังมีส่วนที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ขึ้นมาแล้วก็เกิดความเข้าใจคนคือสัมผัสของอารมณ์คนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกนะว่าเฮ้ยเนี่ย ้คนที่น่าสงสารเนี่ยเขารู้สึกเป็นทุกข์อย่างนี้มันบีบคั้นอย่างนี้นะแล้วเราก็อยากจะช่วยเขาอยากจะสงเคราะห์อยากจะให้ความอนุเคราะห์ด้วยใจที่บริสุทธิ์นะหรือคนที่เขากำลังมีความโกรธมีความเกลียดเราอยู่นะมันสามารถสัมผัสเข้าไปได้ถึงอารมณ์โกรธอารมณ์เกรียดของเขาแล้วก็คิดออกว่าจะตอบโต้อย่างไง เวลาที่เราอยู่ในคลื่นเบตา้าเราจะตอบโต้ด้วยการแบบว่าตาต่อตาฟันต่อฟันนะเตมมาเตกลับแต่ถ้าอยู่ในช่วงของเบตา้าที่มันพร้อมจะเปิดรับอ่ะนะโดยไม่มีเอาความรู้สึกเข้าข้างตัวเองมาครอบงาจิตใจตัวเองนะ <S <S มันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาโกรธมาเนี่ยทํำยังไงเขาจะหายโกรธเขากําลังมีความทุกข์อยู่นะทำยังไงด้วยจิตใจของเราเนี่ย จะเอาชนะความโกรธจะเอาชนะความทุกข์เขาได้เนี่ยมันมันจะดีมีข้อดีอย่างนี้นะถ้าถ้ามันเด่ดนําขึ้นมาแต่ถ้าเทตามากเกินไปเกิดอะไรขึ้นมันจะหุนหันพลันแล่นนะแล้วก็ไม่สนใจโลกซึมเศร้าง่ายด้วยนะครับแล้วก็มีการมีโฟกัสได้ต่ําแป๊บเดียวเนี่ยหลุดโฟกัสแล้วถ้าน้อยเกินไปมันจะรู้อารมณ์ตัวเองยาก รู้าอารมณ์คนอื่นไม่ได้ด้วยมันจะเอาแต่ใจตัวเองท่าเดียวนะไอ้ความเอาแต่ใจตัวเองท่าเดียวนี่แหละเป็นที่มาของความกระวนกระวายแล้วก็เครียดจัดเห็นไมมันไม่มีสักคลื่นเดียวนะที่ยิ่งมากยิ่งดีนะมันมีแต่ว่าถ้าพอดีถ้าปรับให้พอดีได้แล้วเนะี่ยมันจะมีส่วนดีโผล่ออกมาถ้ามากเกินไปมันมีส่วนเสียน้อยเกินไปก็มีด้านลบ ทุกอันเลยนะไม่มีข้อยกเว้นนะครับเพียงแต่ ว, ว่ามันจะแตกตา่างไปยังไงเท่านั้นคือสุดท้ายที่เรียกว่าเดลต้าบางแ l a อ, อเริ่มเริ่มกันที่ 0.5 ถึง3แต่แลบนี้ที่ผมเอามาเป็นเบ s ความรู้นะเราตัดที่0ถึง4หมายความว่าไม่มีระล อ, อกคลื่นเลยคือเขาเคยอย่างแลบแต่ละแลบเนี่ย จะได้กลุ่มตัวอย่างมาทดสไม่เหมือนกันในแลบนี้อาจจะเคยได้ประเภทโยคยีหรือว่ า, าพระภิกษุนะที่ในพุทธศาสนาอะไรแบบนี้มาทดสแล้วมันลงได้ถึงศูนย์จริงเขาก็เลยตัดที่นี่ตรงนี้นะแต่บางแลบหลายๆแลบเขาบอกว่าอย่างน้อยที่สุดมันต้องศูนย์จุด5นะคือคลื่นไม่ครบรอบในหนึ่งวินาทีต้องสองวินาทีมันถึงจะครบรอบคลืนนะคนแล้วก็ลง สำหรับแบบนี้เขาตัดกันที่ศูนย์คือไม่มีคลื่นสมองเลยซึ่งถ้าหาอไม่ไม่มีคลื่นความคิดเลยนะถ้าเขาเจอตรงนี้แล้วเขาบันทึกไว้อย่างนี้อ่าก็ถือว่านะเชื่อไปเชื่อไปก่อนว่ามันมีอะไรแบบที่ไม่คิดเลยได้จริงๆนะที่ผมตั้งชื่อว่าเป็นจิตไร้สานึกคือมันไม่รู้สึกคือมันยังมีการรู้อยู่นะแต่ไม่รู้สึกว่าคิด ไอ้ตรงนี้คือความหมายของไร้สำนึกของผมนะถ้าหากว่าเดลต้ามันเด่นนำไอ้คลื่นอื่นๆขึ้นมามันจะมีอาการพักผ่อนอย่างล้ำลึกพักผ่อนในแบบที่คุณรู้สึกเป็นสุขดื่มด่ำมากๆเลยถ้าภาษาทางพุทธเรานั้นก็คือเข้าถึงอุปาจารสมาธิหรือถึงฌานมันจะร่างกายนะไม่มีความเกร็งแม้แต่ส่วนเดียว รู้สึกผ่อนพักอย่างที่สุดนะแล้วจิตใจเนี่ยสบายหายบ่วงอย่างที่สุดไม่บ่วงอะไรเลยไม่คิดถึงอะไรเลยถ้าหากว่ามีคลื่นเดลต้าขึ้นมาบ่อยๆเขาค้นพบว่าสุขภาพจะดีขึ้นถ้าป่วยไขายอยู่มันก็จะหายเร็ว่วยง่ายๆนะถ้าคุณเป็นไขายอยู่แล้วไม่คิดอะไรเลยอยู่ในอาการผ่อนพักเนี่ยร่างกายมันจะฟื้นฟูเร็วนะแล้วเราจะพบคลื่นนี้มาก ในทารกทารกเนี่ยยังไม่มีเรื่องกุ้งใจไงนะยังไม่มีขยะทางอารมณ์ให้หมักหมมในหัวแล้วก็ต้องพยายามโยนทิ้งนะแล้วทารกเนี่ยคุณเห็นไหมอัตราการเจเริญเติบโตเนี่ยมันก้าวหน้ามากจากเด็กตัวนะเท้าเท้าเท้าฝ่า่อยเนี่ยบักเดียวมันเท้าใหญ่กว่ามือเราละเนี่ยนั่นก็เพราะว่าคืนเดวถ้ามีเยอะ แต่ยิ่งแก่ยิ่งมีอายุมากขึ้นเท่าไหร่นะคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ฝึกสมาธิไม่ได้เจริญสตินะก็จะพบว่าเดลต้าเนี่ยมันน้อยลงทุกทีภูมิุองการมันเลยลดลงไนงะยิ่งอายุมากนะยิ่งยิ่งมีอาการพักผ่อนฟื้นฟูสุขภาพน้อยลงนะแต่ถ้าเราอายุมากขึ้นแบบมีความเข้าใจในเรื่องของการทาสมาธิในเรื่องของการเจริญสติ ก็มีสิทธิที่จะฟื้นฟูสุขภาพนะได้เท่ากับทารกเช่นกันหรืออาจจะดีกว่าทารกซะอีกเพราะว่าทารกเนี่ยบางทีนะมันมีอาการงองแงมันมีอาการโยเยซึ่งน้าแกมมาฝูงปีตเลยนะเวลาที่จะเรียกร้องเอาอะไรให้ได้อย่างใจเนี่ยแต่พอได้อย่างใจแล้วก็หลับหลับปุ๋ยสบายไม่คิดอะไรมากนะไอ้ตรงนี้เหมือนกันถ้าเราเรียนแบบทารกได้ทํากิจกรรมในระหว่างวันเสร็จนะแล้ว มีสภาพจิตใจมีสภาพของสมองที่เข้าสู่ภาวะของเดลต้าที่พอดีได้นะคุณจะพบว่าตัวเองเนี่ยอายุมากขึ้นแบบมีสุขภาพดีแล้วก็หลับดีด้วยคำว่าหลับดีไม่ใช่หลับฝันดีนะแต่หลับอย่างมีคุณภาพคือพอรู้แล้ ว, ว่าเนี่ยถึงเวลานอนก็เอียนตัวลงนอนแล้วเกิดความรู้สึกว่าพร้อมจะลงหลับปิดสวิชได้อย่างรวดเร็วจะฝันดีหรือฝันไม่ดีก็ แล้วแต่นะส่วนใหญ่คนที่หลับดีจะฝันดียังไงก็ตามเดลต้าไอ้เพิ่ความคิดน้อยๆแบบนี้เนี่ยนะถ้าหากว่าน้อยเกินถ้าหากว่ามากเกินไปมันจะเรียนรู้ยากคุณนึกออกไหมตอนคุณขี้เกียจเน่นะตอนคุณรู้สึกอยากจะงอมืองอเท้าอยู่เนี่ยนะนะหรือถ้าใครมีประสบการณ์ทำสมาธิได้เก่งๆนะมันจะแบบไอ้ประเภทที่บอกว่าโอ้โหเนี่ย ไปเข้าที่ปฏิบัติทำมาสิบวันสิบห้าวันเนี่ยไม่อยากกลับมาทํางานเลยไม่รู้เพราะอะไรอันเนี้ยวันนี้คุณจะรู้แล้วนะคือคลื่นเดลต้ามันมากเกินไปหน่อยมันขี้เกียจทํางานนะแล้วก็จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆยากนอกจากนั้นนะไ อ, อ้ทั้งหลายทั้งปวงมันมาจากความขี้เกียจจะคิดนึกออกไหมพอมันไปอยู่ในสภาพที่ไม่คิดอยู่นานๆเนี่ยมันก็เลยไม่อยากกลับมา มีความถี่สมองสูงขึ้นเพราะมันเป็นทุกข์กว่ากันเนี่ยอันนี้คือสาเหตุของความขี้เกียจคิดแล้วที่หนักเลยก็คือว่าจำสมาธิสั้นได้นะฮะคือคือมันมันคิดช้าจนกระทั่งไม่อยากไปเรียนรู้อะไรแล้วหนักที่สุดน ะ, ะที่วิทยาศาสตร์เริ่มค้นพบก็คือว่าถ้าเดลต้ามันมากเกินไปในเวลาที่ต่อเนื่องยาวนานเนี่ย มีผลให้สมองเสียหายได้จริงๆคือชีวภาพของสมองเนี่ยมันจะเกิดข้อบกพร่องขึ้นมาแบบถาวร น, นะถ้าน้อยเกินไปล่ะนะถ้าน้อยเกินไปมันก็คือฟื้นฟูสุขภาพยากคุณกองเนื้อออกใช่ไหเวลาที่เรากรุ้งใจหรือว่าเราหลับยากมีความรู้สึกว่าไม่สามารถจะพักก่อนไม่ยอมให้ตัวเองหยุดคิด นี่แตัวนี้แหละที่มันจะทําให้เดลต้าน้อยเกินไปก็เลยพอป่วยแล้วเนี่ยก็เลยป่วยเรื้อรังหรือว่าไปหากีหมอก็แก้ไม่ได้สักทีนะอที่สุดแล้วเนี่ยนะถ้าเดลต้าน้อยเกินไปคุณจะมีความรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่เพราะว่ามันหลับยากหลับได้ยากเหลือเกินหลับทีไรเนี่ยนะก็ฝันร้ายนะเพราะ คนหลับยากคือคนที่พร้อมจะมีคลื่นสมองปั่นป่วนขณะหลับนั่นเองอที่ผ่านมาเรารู้ไปแบบนี้รู้แล้วได้ข้อสรุปอะไรสิ่งที่เราจะเห็นเป็นอันดับแรกเลยก็คือว่าคลื่นสมองไม่ว่าคลื่นในก็ตามแม้แต่อัลฟาอันเป็นที่ปรารถนาของคนส่วนใหญ่ ถ้าหางมากเกินไปหรือน้อยเกินไปไม่ดีทั้งนั้นนะคุณจะเกิดความคิดว่าตั้งโจทย์ใหม่ในชีวิตเลยนะทําอย่างไรให้คลื่นสมองเนี่ยอยู่ในภาวะสมดุลนะไม่ใช่ไปคิดทําให้ขึ้นใดขึ้นหนึ่งมันมากเกินคลื่ น, นอื่นๆอย่างปัจจุบันเนี่ยคนที่รู้แบบครื่นเงินกลางๆนะจะเห็นบอกว่าคลื่นอัลฟ่าคือคลื่นพักก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาเลย ให้ยามเพิ่มคลื่นอัลฟาให้มากๆเนี่ยตรงนี้มันจะไม่ใช่โจทย์คุนอีกต่อไปโจทย์คุณคือทำอย่างไรให้ทุกคลื่นเนี่ยมันอยู่ในภาวะสมดุล น, นะครับจากนั้นคุณจะเห็นค่าของการทำงานเป็นอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่ออันนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องนะะคน ที่ทํางานห น, หนักมาเป็นเวลาหลายปีมักจะเกิดความคิดผิดๆรองกันอย่างหนึ่งคือไม่ต้องทํางานอีกแล้วได้ไหมกเกษียนก่อนไวัยได้ไหมกเกษียนแบบได้เงินเยอะๆไปเที่ย ว, ยวฮาวายไปเที่ยวมาเีนะหรือว่าได้มีวันหยุดเยอะๆเนี่ยแบบคนไทยเนี่ยจริงๆก็ถือว่าวันหยุดเยอะมากนะเดี๋ยวปีใหม่เดี๋ยวสงกรานเดี๋ยวอะไรต่อเนี่อะไรเนี่ยแต่ก็ยังบอกว่าบนกันมากวันหยุดน้อยจังนะ น, ะนั่นเพราะว่า คุณไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วสมองของมนุษย์ถูกดีไซน์มาให้ต้องทำงานหรือแต่ทำยังไงให้มันพอดีแล้วก็คลื่นสมองเนี่ยอยู่ในระดับที่สมดุลได้ถ้าคุณพักอยู่ตลอดเวลาลองเถอะถ้าใครมีอการนะบอกว่าฉันจะลาออกแหละไม่สนใจอะไรอีกแล้วขอใช้สายป่ามที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิตเนี่ยไปนอนเล่นที่ฮาวายตลอดชีวิตที่เหลือคุณจะพบว่าแค่เจ็ดวันเท่านั้นนะ พอไอ้คลื่นเบต้ากับแกมมามันไม่มันไม่ขึ้นมาบ้างเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายเหมือนกับโลกทั้งไปเนี่ยกลายเป็นเี่อีสุสานเซ็งๆเนี่ยนะสุสานไม่เก็บท่าศพที่มันไม่ยอมเคลื่อนไหวไม่อยากเคลื่อนไหวแหมไม่รู้จะอยู่ไปทําไมแต่ถ้าคุณตั้งโจทย์ว่าทํำยังไงถึงจะทํางานเป็นทํำยังไงถึงจะเล่นเป็นทํำยังไงถึงจะพักเป็น และที่สําคัญที่สุดที่คนทั่วไปไม่ค่อยจะตั้งใจกัน ไ, ได้คือทําอย่างไรจะเข้าสมาธิเป็นเพราะคนส่วนใหญ่เนะ่เข้าสมาธิกันผิดผิดสอนกันมาผิดผิดเรียนรู้กันมาผิดผิดและพยายามกันมาผิดผิดบางคนเนี่ยเรียนรู้ถูกอาจารย์แล้วแต่พยายามผิดคาดหวังมากเกินไปท่ า, านหวังสูงเกินไปหรือว่ามีความอยากได้นั่นอยากได้นี่นอกลู่นอกทางมันก็กลายเป็นการเข้าสมาธิไม่เป็นกันทั้งนั้นและสําคัญที่สุดนะฮะแล้วจะตั้งโจทย์แบบพุทธ ทุกท่านในที่นี้คือชาวพุทธแนะทุกท่านในที่นี้ผมเชื่อว่าผ่านการพยายามปฏิบัติธรรมจเจริญกติมา ก, ก่อนเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราตรงกันครับคือทําอย่างไรจะให้ชีวิตนี้ตื่นรู้ขึ้นมาเป็นกิจผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ครูบาอาจารย์ร่วมสมัยกับเราพูดกัมาจนมันเข้าหูนะแต่ยังไม่เข้าใจว่าหน้าตาเป็นยังไง เราจะเอามาเป็นโจทย์เป็นโจทย์ให้กับชีวิตสําคัญเท่าๆกับที่เรามีมาที่กระทรวงการคลังแห่งนี้คือไม่ใช่ว่าเราทําให้ชาติอย่างเดียวไม่ใช่ทาเพื่อชาติอย่างเดียวแต่ลืมตัวเองเป็นหมดเลยนะลืมว่าชีวิตของเราเนี่ยมันคืออะไรนะมันควรจะได้อะไรถ้าหากว่าเราตั้งโจทย์แบบพุดว่าชีวิตนี้ของเราเราจะเอาความตื่นรู้อันเป็นที่สุด นะ Ultimate, เอาเป็นทีเมซีของเราเนี่ยโจทย์ของเราตั้งต้นขึ้นแล้วครับจากความเข้าใจเรื่องการทำงานของคลื่นสมองนี่แหละจากนั้นนะอันนี้เป็นโจทย์ที่อาจจะตั้งกันไม่ได้ทุกคนแต่วันนี้ร้อยคนในที่นี้นะผมจะเอามาบอกกับพวกคุณว่าเราหาคลื่นช่วยได้ครับ ไม่ใช่ไม่ได้นะฮะแล้วเราก็เคยหากันมาเป็นประจำอยู่แล้วเวลาที่เราไปพักผ่อนที่ทะเลรู้สึกหัวเปิดรู้สึกเนี่ยพอมองปุ๊บเนี่ยคุณรู้สึกดีไหมเฮ้ยน้าไปนะแต่เข้าไปเข้าจริงๆมันมีเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นคือสมองของคุณจะทรยศตัวเองนะฮะนั่งอยู่ที่ริมหาดแต่ทังคิดถึงงานที่ดีกรุงเทพนะบางคนเนี่ยถึงท่านบอกว่า พูดชัดๆเลยนะรู้สึกผิดที่มันนั่งสบายอยู่คนเดียวนะแล้วเพื่อนๆทำแทนตัวเป็นเกลียวกันอยู่นะโดยเฉพาะพวกที่เป็นหัวหน้านะที่วิมลเนี่ยนะจะเข้าใจความรู้สึกประเภทนี้ดีนะรู้สึกยูที่ว่าเราสบายแล้วลูกน้องกำลังทํางานอยู่อะไรแบบนี้นะนี่คือเรื่องของการที่สมองมันขวายอตัวเองเราอยู่ที่ทะเลแต่ใจเราเหมือนอยู่จมอยู่ก้นทะเลนะ น, นี้แสดงให้เห็นนะว่าที่พึ่งของเรามันไม่ได้มีส่วนสําคัญไปกว่าภายในของเราก็ตั้งมุมมองไว้อย่างไรถ้าหากว่าคนเนะี่ตั้งมุมมองไว้ว่านี่คือเวลาพักผ่อนแล้วกัก้นไว้เลยนะสองวันสามวันนี้เราจะไม่คิดถึงเรื่องอื่นก็จะไม่กิ๊งตี้แล้วก็จะดื่มด่ากับความเป็นทะเลได้เต็มที่ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะนะมันจะมาหมดเลย เริ่มต้นเนี่ยมาจากอัลฟาก่อนรู้สึกผ่อนคลายเนื้อตัวนี่สบายจิตใจเนี่ยไม่ห่วงไม่กังวลไม่คิดถึงเพื่อนร่วมงานแล้วเราแม่กั้นเวลาของเราไว้ชัดเจนแล้วมีการตีกรอบไว้ชัดเจนแล้วสามวันนี้เราจะไม่คิดถึงอะไรเพราะสมองร่างกายมันเป็นอุปกรณ์การทำงานชนิดหนึ่งถ้าหากว่าเราไม่ฟื้นฟูมันขึ้นมาเลยเราก็ทางานต่อไม่ได้อยู่ดีหรือเราใช้อุปกรณ์แบบผิดประเภทนะ ใช้งานมันหนักเกินไปในที่สุดมันก็ทํางานเพี้ยนอยู่ดีมันจะเกิดความเข้าใจแบบนี้มันจะเกิดความฉลาดขึ้นมานะแล้วในอัลฟานั้นมันจะไม่มากเกินไปมันจะชื่นชมนะมันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างเช่นคิดถึงนกที่มันกลำลังบินเวลาที่คุณเปลี่ยนสายตานะจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนั่นก็คือเบต้าแล้วขึ้นมาที่เบต้าแล้วหรือถ้าคุณเกิดความส ง, งบขึ้นมาแบบสะเขียนนะ นั่นก็คือการทํางานส่วนหนึ่งของคลื่นแกมมาแกมมาไม่ได้ทําให้คุณบ้าเสมอไปแกมมามีส่วนทําให้จิตของคุณสเสถียรอยู่กับความสงบอยู่กับอาการผ่อนคลายได้แล้วก็หากว่าผมว่าในห้องนี้อาจจะไม่เคยมีกระบวนกันมองทะเลจนกระทั่งเกิดสมาธิแต่ถ้าหากนะเราทําความเข้าใจนะ ว่าเราจะคักผ่อนอย่างไรที่เป็นคุณกลับไปมองทะเลใหม่แล้วเกิดความสังเกตว่าเฮ้ยเออเวลาที่สายตาของเราเนี่ยโฟกัสมันไกลๆนะใจมันเปิดใจมันสบายแล้วอยู่กับอาการใจเปิดเนี่ยที่ที่มันรู้สึกนิ่งๆอยู่ข้างในเนี่ยนะด้วยความส บ, บายอารมณ์ด้วยความหายห่วงหายต้องห่วงเนี่ยแป๊บหนึ่งมันจะเกิดสมาธิมากขึ้นมากขึ้นเป็นสมาธิแบบรู้สึกว่างออกมาจากตรงกลางนี่ ไปลองดูนะอีกี น, นึงที่เราใช้กันตอนไปอยู่ที่ทะเลไม่ได้ก็คืออยู่ที่บ้านแล้วเข้าห้องพระเวลาไปสวดมนต์เวลาไปกราบบูชาพระประธานตามบทต่างๆเนี่ยคคิดถึงอะไรคนส่วนใหญ่บอกตอนที่อยู่ ที่บ้านเนี่ยนะตอนกำลังวาวุ่นอยู่เนี่ยคุญญณยันึกถึงพระพุทธรูปในฐานะของเครื่องทุ่นแรงให้เกิดความรู้สึกสงบอกสงบใจสบายอารมณ์นะเห็นพระแล้วอยากยิ้มตามเห็นพระแล้วเกิดความสงบตามอันนี้พระพุทธชินราชนะที่มิสณนุโลกคนเห็นแล้วเนี่ยถึงขนาดแบบน้ำตาไหลก็มีเพราะอะไรเพราะว่ามันหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะถ้าคุณส่วนมนเป็น ต่อให้ไม่มีพระพุทธรูปอยู่ตรงหน้าก็มีพระพุทธรูปอยู่ในใจคุณได้คือคุณจะนึกถึงภาพองค์พระออกแล้วก็เกิดความรู้สึกผ่อนคลายเกิดขึ้นอันฟาขึ้นมาแทนที่ของเบต้ากับไอแอมมาที่มันกำลังเด่นล้าเกินไปนะแต่เรื่องน่าสลดใจก็คือเวลาที่เราเข้าหาองค์พระ เวลาที่เราสวดมนต์เราจะมีใจิตใจแบบเด็กน้อยกันเป็นส่วนใหญ่คุณอยู่หน้าพระประธานนะหรืออยู่หน้าพระพุทธรูปในห้องพระนะแต่มันจะเหมือนกับเด็กน้อยกำลังสวดอ้อนวอนขอพรจากดวงจันทร์เนี่ยบรรยากาศมันแบบนี้เลยนะมันมีคําอ้อยอิงมันมีอารมณ์แบบว่านางเอกมิวสิกวิดีโอนะกำลัง กำลังแบบว่าหาอินอยู่กันนิ่งๆอยู่ว่าจริงแต่อินอยู่กับความรู้สึกเศร้าเศร้าซอยลึกๆนะอยากได้นโน่นอยากได้นี่แล้วมันไม่ได้อย่างหวังสักทีนะก็เลยมาขอวิงวอนขอพรจากพระจันทร์เนี่ยคุณเห็นพระพุทธรูปเป็นอย่างนี้กันโดยมากเวลาสวดมนต์เสร็จอ้อนวอนขอขอให้ชีวิตดีขึ้นขอให้การทํางานเนี่ยประสบความสําเร็จได้เลื่อนขั้นเจ้านายเห็นหัวสักทีอะไรแบบนี้นะมันกลายเป็น ว่าเราสวดมนต์กันไม่เป็นแล้วสวดมนต์แล้วไม่ได้คลื่นอัลฟาสวดมนต์เนี่ยมันกลายเป็นเบต้าอยู่ไม่ก็เป็นอาการซึมเศร้าท้องใหม่ถ้าหากว่าคุณเข้าห้องพระแล้วมองพระพุทธรูปนะีในฐานะของผู้ให้ความสุขแล้วคุณเกิดความสุขขึ้นมาคุณไม่ได้อยากขออะไรเพิ่มคุณแค่อยากจะถาวายความสุขเป็นการตอบแทน ผ่านแก้วเสียงนะเออเวลาส่วนวนวลเราถวายแก้วเสียงยังไงเราคิดแค่ว่าเออเนี่ยเราจะสวดให้ดีที่สุดเต็มปากเต็มคําแล้วให้แก้วเสียงเนี่ยพาเราะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อิติปิโสพระครวญระหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะแล้วพอเกิดความสุขขึ้นมาจากการอมีเสียงที่เต็มปากเต็มคํานั้นนะเกิดความสุขค่อยๆเออขึ้นมาเนี่ยเป็นความสุขที่อยากถวายแด่พระพุทธรูปไอ้ตรงนี้แหละ คือความเข้าใจที่แท้จริงแล้วว่าเราสวดอิติปิโสไปเพื่ออะไรอิติปิโสเนี่ยเป็นการสันเสริญนะว่าถ้าพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีอย่างไรแล้วเราสันเสริญอย่างเดียวไม่หวังอะไรตอบแทนตรงนั้นแหละที่เรียกว่าเป็นการเวายแก้วเสียงที่เรียกว่าเป็นการเวายความสุขที่เรียกว่าเป็นการทําสมาธิอย่างหนึ่งคือพอมันมีความสุขขึ้นมาคุณไม่ต้องการผลตอบแทนอะไรต่ออีกแล้วไม่อยากอ้อนวอนขออะไรอีกแล้ว เพราะว่ามันมีความสุขเรียบร้อยแล้วความสุขนั่นแหละคือรางวัล น, นะฮะอันนี้กอกลับไปมองพระพุทธรูปใหม่คุณก็สามารถใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงในการทำให้เครื่องเอาฟ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับที่นี้จะเล่าแบบสั้นๆว่าชาโบราณเนี่ยนะมีประวัติความคุ้มคล้านกันมาตลอดเนี่ยยางที่นี่นะเป็นวิหารแห่งหนึ่งที่เขาเพิ่งค้นพบมาไม่นานนะครับฝังอยู่ใต้ดินนะ วิหารแห่งนี้เนี่ยแค่เข้าไปเนี่ยแล้วก็สวดมนต์ร่ว ม, มกันเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า polyfrequency ขึ้นมาคือเป็นคลื่นต่างจิ์ที่อตอบกลับออกมาจากผนังวิหารเขามีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของเสียงเนี่ยตั้งแต่ห้าพันปีที่แล้วเขาเข้าใจเข้าใจได้ยังไงเนี่ยพวกเราก็ไม่รู้นะฮะคือเวลาสวดมนต์พร้อมกันเนี่ยมันจะ เข้า อ, อมันจะไปกระทบผนังใช่ไหมแล้วผนังเนี่ยที่ถูกตัดไว้เป็นช่องเล็ ก, เลกๆเนี่ยคุณเห็นไหมช่องเล็กๆแบบเนี้นะฮะมันจะสะท้อนมันจะสะท้อนในลักษณะของการกลางวานแบบกีตาร์ไอไอไลำลาตัวของกีตาร์มันจะมีอาการรีโซนาร์หรือว่าก้องกลงวานเสียงออกมาแบบเดียวกันนั้นเน่ยหนึ่งร้อยสิบเอดเฮิรตนะฮะแค่เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วส่วนมวลพร้อมกันเนี่ยมันเกิดประสบการณ์ ราวกับว่าหนีไปอยู่อีกโลกหนึ่งได้นะมีความไม่ยิ่งกว่าสงบอีกมันเกิดประสบการณ์ราวกับว่าเข้าไปอยู่ในมิติที่มันมีแต่ความดื่มดำมันมีแต่ความรู้สึกล้ําลึกแหนะเข้าไปอยู่ในอีกจักรวาลที่เแตกต่างจากโลกภายนอกไอ้ตรงนี้เนี่ยนักบวชหรือว่าคนที่เชื่อศาสนาแบบนี้ลัทิดแบบนี้เนี่ยถึงได้ก้าวข้ามความเชื่อก้าวข้ามความศรัทธาเข้าไปสู่ภาวะอความสุขที่มันสัมผัสได้แหนะ นี่ผมแค่จะแสดงให้คุณเห็นว่าเครื่องพุ่นแดงเครื่องลดความฟุงฟ้งซ่านเนี่ยมีมานานแล้วและเป็นเทคโนโลยีโบราณที่แม้แต่ปัจจุบันก็ไม่เข้าใจนะว่าเขาเข้าใจขึ้นมาได้ยังไงนอกจากนั้นหลายท่านในที่นี้อาจจะเคยเห็นนะซิงกิ้งโบหรือว่าจริงๆชื่อเดิมคือ Standing b e บ l เพราะว่ามันเป็นตะขังที่ตั้งตั้งหนไม่ใช่แขวนนะซิง ก, งงกงบเนี่ยเป็นความเชื่อของพุทธเหมือนกันแต่เป็นพุทธมหา ย, ยาณ เป็นพุทธังที่เบตนะครับเชื่อว่ามันช่วยให้เกิดความสงบได้แต่้ความสงบเนี่ยนะเป็นความสงบแบบที่มีแต่ความรู้สึกอิ่มเป็นสุขอย่างเดียวนะเ อ, อเแล้วก็เป็นที่ผมทดลองมาเนี่ยมันเป็นความสุขแบบเคลิมไม่ให้ความสุขในแบบที่จะนําไปสู่สติแบบตื่นรู้เป็นความเคลิมในแบบที่เกี่ยทํางานด้วยอะพูดกันตรงๆพูดกันง่ายๆนะเพราะนั้นเราจะพบว่า พระทางทิเบตเนี่ยถึงได้มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางแบบพระบทูที่สัตว์นะปรารถนาที่จะช่วยให้คนเนี่ยเข้าถึงนิพพานตัวเองเข้าถึงเป็นคนสุดท้ายก็เพราะว่าเนี่ยแหละตรงนี้เนี่ยเขามีไอ้อุบายหรือว่าเครื่องทุ่นแรงที่จะทําให้เกิดความสงบในแบบที่จะทําให้ติดใจความสุขหรือติดสุขนั่นเองนะอ่ะประวัติศาสตรความงงง่านไม่จบแค่ตรงในเรื่องของคนโบราณ ในยุค ข, ของเราก็มีคนพยายามเอาเทคโนโลยีมาทําให้เกิดความสงบเช่นกันอย่างเทคโนโลยีที่มีราคาแพงหน่อยก็เช่น floating tank หลักการง่ายๆคือทําให้น้ํำจะกลายเป็นน้ําเกลือนะเทเกลือลงไปมากๆแล้วต้องเป็นเกลือแบบเฉพาะด้วยนะไม่ใช่เกลือทั่วไปนะเกลือเมื่อเมื่อน้ํามันกลายเป็นน้ําเกลือเขาสังเกตมาจากเทะเลสาบแห่งหนึ่งนะลงไปลงไปไว่ายน้ําในเทะเลสาบแห่งนั้นเนี่ยตัวลอย นีโดยไม่ต้องว่น้ำเป็นนะจะไม่จมอันนี้ก็เหมือนกันพอเข้าไปอยู่ในแท้งเนี่ยอย่างที่คุณสังเกตเห็นเนี่ยนะครับคือเขารอยตัวอยู่ได้ไม่จมลงไปพอเกิดภาวะนี้แล้วมันมีผลยังไงคือความรู้สึกทางประสาสัมผัสเนี่ย น, น้ำหนักตัวหรือว่าการรู้การเห็นการได้ยินเนี่ยมันจะดับไปมันเหลือเหลือน้อยที่สุดนะฮะเหลือแต่ไอความนึกคิดซึ่งถ้าหากว่าคุณทําสมาธิเป็นเนี่ย มันก็เข้าสู่ภาวะของเทตา้าหรือว่าเดลต้าได้ง่ายอันนี้ก็คือเทคโนโลยีล่าสุดที่มีอยู่ในกรุงเทพก็มีนะแต่ว่าจะน้อยจะดักพวกทัวริสมากกว่าที่จะเอาคนไทยไปเพราะมันแพงนะแล้วสุดท้ายที่จะพูดถึงเทคโนโลยีทั้ทงหมดเลยทั้งของโบราณแล้วก็ของยุคใหม่เนี่ยผมจะบอกว่ามันใช้ไม่ได้จริงกับคนทั่วไป เพราะว่าจะมีราคาแพงก็ตามหรือว่าอย่างที่ก่อมอต้าเนี่ยมันต้องเดินทางไปไกลเือเกินนะแต่มีเทคโนโลยีอีกแบบหนึ่งช่วยที่จะลดความสั้นปัดควาความงสั้นให้ได้นะเรียกว่าไบนาร์วิชโดยการมัมนมีคนค้นพบมาตั้งแต่ปี1 8 3 9นะเกือบ200ปีมาแล้วเนี่ย มันไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่นะแต่ว่ายังมีการค้นคว้าวิจัยกันเรื่อยไม่รู้จบนะเพราะมันมีความลึกลับมันมีอะไรให้ทำใหม่ๆอีกเยอะนะโดยหลักการง่ายๆก็คือว่าเขาจะปล่อยนะเสียงหนึ่งร้อยเฮิยกตัวอย่างนะหนึ่งร้อยเฮิร์เข้าหูซ้ายแล้วเอาร้อยสิบเข้าหูขวานะผลมันจะมาเป็นคลื่นสมองสิบเฮิรตซึ่งสิบเฮิร์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงอัลฟา มันจะรู้สึกสบายผ่อนคลายขึ้นมาแต่ปัญหามันไม่ได้ง่ายแค่นี้นะคือไม่ใช่ว่าเอาร้อยกับ110ร้อยสิพไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดไอ้สิพขึ้นมาที่สมองของเราทันทีมันต้องจูนมันต้องใช้เวลา 20- 30นาทีหรือบางคนเป็นชั่วโมงกว่าจะลงมาถึงสิพได้และปัญหาคือพ อ, พอสิได้ไม่นานมันจะกลับมาตีกลับมาใหม่นะกลายเป็นเบตา้ากลายเป็นแกรมมากลายเป็นความประวนกระวายได้ นี่สำหรับคนตัวใหญ่เพราะฉะนั้นก็เลยยังมีการวิจัยกันไมน่จบว่าทําอย่างไรถึงจะให้ได้ค่าคลื่นที่ต้องการเนี่ยในสมองเนี่ยนะเร็วที่สุดเป็นที่ทรมานน้อยที่สุดนะซึ่งผมก็อา่าเป็นหนึ่งในคนที่สนใจที่จะวิจัยแล้วก็พัฒนาตรงนี้ขึ้นมาโดยผมทําสิ่งที่เรียกว่าเสียงสติขึ้นมาเสียงสติเป็นชื่อเล่นนะโดยตัวของเสียงไม่ใช่สตินะะแล้ว โดยตัวของเสียงเองไม่ได้ทำให้ทุกคนมีสติขึ้นมาได้แต่คอนเซปต์ Concept ก็คือผมอาศัยขึ้น เ, เสียงดนตรีแบบหยาบๆเลยเนี่ยนะแบบที่ทุกคนฟังแล้วเกิดความรู้สึกว่ามันผ่อนคลายพูดง่ายๆว่าเอาเครื่องสมองลงมาสู่ระดับอัลฟาด้วยเสียงแบบ หยาบๆเลยนะไม่ใช่เสียงแบบไบโนโรบีสนะจากนั้นก็จะเริ่มเอาไบนโรบีสเนี่ยลงมาอยู่ที่เดลต้าคือมันมีเทคนิคในเรื่องของการบิดเสียงในเรื่องของรหัสของความผีดคลื่นนะซึ่งอันนี้มันเป็นเฉพาะตัวที่แบบผมทดลองแล้วก็พบว่ามันใช้ได้จริงนะครับ เมื่อเราเอามาอยู่ที่เดลต้าได้ในเวลาที่รวดเร็วนะมันก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเออสบายดีแล้วก็เต็มใจที่จะอยู่ตรงนั้นต่อนะคือผมเอามาอยู่ที่อัลฟาเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณสี่สิบวินะฮะแล้วเอามาอยู่ที่เดลต้าได้ภายในเวลาแค่หนึ่งนาทีต่อมาซึ่งปกติเนี่ยถ้าจะเอาไปที่เดลต้ากันจริงๆเนี่ย เขาต้องใช้เวลากันเป็นชั่วโมงนะพอเอามาลงมาอยู่ที่เบสหรือเอามาอยู่ที่เดลต้าได้เนี่ยผมก็จะค่อยๆเลื่อนระดับขึ้นไปนะคือค่อยๆเลื่อนทีละชั้นนะเป็นจากเดลต้าเนี่ยขึ้นไปเป็นเพต้าจากเทต้าขึ้นไปเป็นอัลฟาอัลฟาขึ้นไปเป็นเบตา้าเบต้าขึ้นไปเป็นแกนมมาในที่สุดไอ้ตรงนี้เนี่ยใช้เวลาหนึ่งนาทีเท่ากันซึ่ง ผมพบว่ามันให้ผลนะคื อ, อ, อจากกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองเนี่ยจะให้ feedback ออกมาตรงกันเช่นรู้สึกสงบได้เร็วหลายๆคนที่หายใจไม่ค่อยออกหืดอัดหรือเป็นไซนัสอัเกเสบอะไรต่างๆเนี่ยมันมีจมูกที่โล่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยรู้สึกเลยว่ามีการดีดเพี้ยขึ้นมาในโพรงจมูกของตัวเองเนะเหมือนกับเปิดเปิดทางเปิดที่โล่งให้ อากาศมันโปร่เท่าได้ง่ายๆนะอันนี้ถามว่ามีหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์ไหมมีนะผมใช้ headset คือแทนที่จะต้องเป็นเครื่อง EEG ราคาเกือบล้านบาทแบบดีๆหรือสามแสนตามโรงพยาบาลอะไรเงี้ยนะผมใช้ h e a d นด์ราคาแค่สองหมื่นบาทอันนี้เอามาให้ดูเพื่อนได้เห็นว่ามันมีผลหรือว่าฟีดแบ็คที่เป็นรูปธรรม แล้วเป็นวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่มานั่งเทียนเอาหรือว่ามาสรุปจากบอกว่าคนส่วนใหญ่ก็บอกกันอย่างนี้นะแต่มันมีเรื่องของวิทยาศาสตร์มาบอกเลยอย่างเช่นอันนี้เป็นคลื่นสมองของคนทั่วไปเนี่ยไอตอนที่อยู่ในภาวะนึกนึคิดคือคือบอกไว้ก่อนว่า a d ดแบนตัวนี้นะเขาดีไซน์ไว้ให้บอกได้แค่ว่ามันสงบนะ หรือว่าเป็นกลางกลงนึงนึกคิดคิดอยู่หรือว่ากำลังแอคทีฟถ้าแอคทีฟเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าอยู่ในช่วงแกมมาอยู่ในช่วงที่กำลังโฟกัสอะไรอย่างหนึ่งแบบยิ่งจังนะฮะอันนี้สำหรับคนทั่วไปเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าค่าของคลื่นเนี่ยนะมันไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำแล้วก็ไอความเร็วความช้าของคลื่นก็ไม่แน่ไม่นอนนะเดี๋ยวมันก็ช้าเดี๋ยวมันก็เร็วไอตรงนี้แหละ ที่บอกได้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยผุ้งสัน้นหน้าตาความผุ้งสั้นเป็นอย่างนี้เองครับคือคลื่นสมองเนี่ยนะฮะมันไม่แน่ไม่นอนเอาแนอนอนไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้ช้าขึ้ น, นามาเองเลยนะเป็นเป็นช่วงคลื่นสมองที่ช้าชามากแล้วก็ชา้าขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้ทําอะไรขึ้นมาเป็นพิเศษในขณะที่ช่วงแรกๆเนี่ยอยู่ในช่วงกลางกางบางช่วง ก็ไปอยู่ในความรู้สึกว่กตัวเอ ง, ง, องพักหมดนอนพักเหมือนตอนที่คุณกำลังอยู่ในระหว่างวันบางทีรู้สึกผวอนคลายแป๊บแมันคิดอะไรก็มีรู้ขึ้นมานะหรือบางทีก็รู้สึกแล้วแบบว่าขี้เกียจเนี่ยในแบบนี้รียกว่าช่วงขี้เกียจขึ้นมันช้านะแต่ว่าไม่แน่วิ่งนอนขื้นสมองส่วนใหญ่ของคนเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เฮดแบนด์บอกเรานะ ทีนี้พอมาใช้เสียงสติอย่างคนนี้เนี่ยก็เขาจะนึกถึง อ, ออย่างจะจะชอบจะชอบจับรูกปรมนะฮะแล้วก็ดูซิว่าเออเนี่ยที่นึกถึงรูกปรมที่อยู่ในมือเนี่ยนะฮผลจะออกมาเป็นไงก็คือช่วงช่วงเนี่ยนะที่แกมีที่บอกว่าเป็นพ่อเนี่ยคือช่วงที่ ใจเขาเนี่ยโฟกัสถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่แล้วมันมีระเบียบขึ้นเห็นไหมมันมีความแน่นอนมันมันมีสปีดของคลื่นเนี่ยค่อน ข, ข้างจะชัดเจนนะว่าไม่แตกแถวแล้วก็มีไอ้ช่วงความสูงของคลื่นที่ไม่ลงไปสู่ความสงบไม่ลงมาไม่ไม่ขึ้นไปสู่แอคทีฟนะอันนี้ก็สแสดงสภาพของสมาธิได้อย่างหนึ่งเป็นสมาธิแบบไม่สงบนะ แต่อันนี้ก็คืออาศัยเสียงสติเข้าช่วยนะอันนี้ผมเอาคนที่ใช้เสียงสติไปแป๊กหนึ่งแล้วหลับมาให้ดูจะเห็นนะว่าจากเดิมที่คนที่อยู่ที่นี่งข้อหรือไอ้คนเย็นอยู่ที่อันอนเนี่ยมันลงไปอยู่ในช่วงทางเนี่ยอันนี้คือทางนะสีเนี่ยต้องล่างนี่ สามนาอีกก็กดว่าหลับอันนี้มีความเข้าใจเกิดขึ้นมาอย่างไรนะเขาหลับไปเนี่ยหูมันไม่ได้ยินไม่ได้ยินในเสียงสติมาช่วยนะแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าสมองเนี่ยมันยังทำงานต่อและทำงานแบบว่ามีอาการแอคทีฟด้วยคือที่เข้าใจกันว่าการนอนหลับคือการพักผ่อนเนี่ยผิดเลยนะ อันนี้คือสิ่งที่ยืนยันได้นะคนที่นอนหลับแล้วรู้สึกว่านอนไม่เต็มอิ่มตื่นขึ้นมาแล้วยังไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงก็อย่างนี้แหละสมองเนี่ยมันบริโภคพลังงานจากร่างกายทั้งหมดไปยี่สิบเปอร์เซ็นถ้าหากว่าสมองยังทํางานอย่างต่อเนื่องแม้ในขณะหลับแปลว่าคุณไม่ได้หลับแทบจะไม่ได้หลับเลยนะเวลาคุณรู้สึกว่าฝันแล้ววิ่งไม่หยุดหรือว่าหลงทาง าทางออกจากปานั่นแหละฟ้องว่าสมองของคุณเนะี่ยยังทำงานอันนี้แสดงว่าการนอนหลับไม่ใช่การพักผ่อนแต่การนอนหลับคือการทรมานตัวเองในที่แคบ <c oughs> หลักฐานต่อมานะอันนี้เป็นเด็กอายุเจ็ดขวบเนะที่เล่นเกมเก่งนะ เล่นเกมเก่งไหมครับว่าไงคื อ, อเขารู้เขารู้อยู่แล้วว่าจะต้องเล่นยังไงเป็นออโตเมติกหมดเวลาคุณเล่นเกมไหนได้ชำนาญ น, นะแล้วก็ไม่ต้องคิดมากมีแต่ความมุ่ง ม, มั่นจะเอาทงนะจะไปให้ถึงทงตรงใดธงหนึ่งเนี่ยตัวนี้นะมันจะเกิดความสงบแบบหนึ่งถึงมาแต่เป็นความสงบนะเห็นไหมัวใหญ่อยู่ที่ย่ความสงบนะแต่สงบแบบไม่แน่ไม่นอนนะทั ปรับปุงความพื่นก็ดีนะแล้วก็จังหวะความชา้าความเร็วเนี่ยเอาเนี่ยเอานอนอะไรไปได้เลยแต่พอใช้เสียงสติเขาช่วยนะใช้ไปในรอบบีทเนี่ยปรากฏว่ามันมีความถี่ที่แน่นอนมากขึ้นอันนี้ผมให้ค้นึกถึงลมหายใจหมายความว่าสงบด้วยแล้วก็นึกถึงสิ่งอ่าก็สงบด้วย แล้วก็นึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างแน่นอนด้วยที่ช่วงคลื่นมันจะมีความสม่ำเสมอถ้าช่วงคลื่นมีความสม่ำเสมออันนั้นแสดงว่าใจนะมีโฟกัสอยู่กับคำแน่นอนแบบใดแบบหนึ่งนะอันนี้เป็นสิ่งที่ฟ้องออกมาโดยไบโอทิดแบนถือว่าอีทีเอแบนมันดักจับได้อันนี้เป็น ในตำรวจผู้ใหญ่คนหนึ่งนะที่ทำสมาธิเองอยู่แล้วนะแนวการทำสมาธิเขาจะบริกรรมนะแค่เห็นคือมันสงบได้จริงนะสงบได้จริงแต่ว่าความสูงเนี่ยคาสูงของทึกมันเอาแน่เอานอนไม่ได้แค่บางทีมันก็สงบลงลึกบางทีมันก็ตื่นขึ้นมา แล้วอากับลงไประบบดอีกมันบอกแบบไม่แ huh. น okay. so, um, ่นเอาแน่นอนไปไหนอันนี้สะท้อนถึงการที่สมมุติว่าบริการพุทโธเนี่ยนะก็จะพุดโทพุดโธพุดโธแล้วบางทีมันก็พุดโธพุดโทนะหรือไม่บางทีก็กระแทกพุดโทพุดโทอย่างเงี้ยนี่คือความไม่แน่นอนมันบจริงแต่ว่าไม่แน่นอนนะในช่วงห้านาทีนี้พอใช้เสียงสติเข้าช่วยเนี่ยผลก็คือนะฮะ้ามที มันจะมีความแน่นอนมากขึ้นอันนี้เรียกว่ากราฟสวยนะฮะคือมีความสงบด้วยมีความสงบแล้วก็มีความแน่นอนคือนอกจากนึกถึงทำโดยจำอย่างที่เขาทำได้ผมแห้เขาใช้ลมหายใจนะสังเกตลมหายใจสังเกตความต่างของลมหายใจแล้วก็สงบแล้วเนี่ยมันสงบแบบมีจุดหมายสังเกตมีโัวกัรสังเกตไม่หยุดจากตัวการอันนี่คือการช่วยขอารมณ์ ในเวลาต่างกันแค่นาทีเดียวนะจากที่มีความไม่แน่นอนสงบแบบไม่แน่นอนเป็นความสงบแบบแน่นอนแลวผมจะบอกว่าเสียงสติที่อยู่ในหลักฐานที่ไปเก็บตัวอย่างมาเนี่ยนะเป็นเสียงสติเวอร์ชันเก่าแต่เสียงสติที่ผมให้พวกคุณดาวน์โหลดมาในวันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันใหม่นะที่ได้รับการพัฒนาแล้วอย่างที่คอนเซปที่เมื่อกี้พูดไปเนี่ย คือคือเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยจะโฟกัสแค่ที่อัลฟาอย่างเดียวทำให้รู้สึกผ่อนคลายอะ่ะพะผ่อนคลายมันก็พร้อมจะเปิดรู้แล้วใจมันพร้อมจะเปิดรับนะแต่เวอร์ชั่นใหม่ผมเปิดทั้งสมองเลยคลื่นทุกย่านนะไล่ตั้งแต่เดลต้าเดต้าอัลฟาเบต้าขึ้นมาจนถึงแงม่าเปิดออกหมดคือให้มันมามีบาลานซ์ซึ่งเดี๋ยว เราจะได้ลองกันนะครับถ้าใครยังไม่ดาวโหลดนะฮะช่วงนี้พักสิบห้านาทีนะครับสำหรับท่านที่จะไปเข้าห้องน้ำหรือว่าจะไปดาวโหลดนะเข้าเข้าไปที่นี่นะอยู่ที่นี่นะครับ dantin.com/bb แล้วเราจะมาทดลองร่วมกันนะะคือจะจะหาหลักฐานจากตัวเองไม่ต้องไปหาหลักฐานที่อื่นนะว่ามัน เวิร์กหรือไม่เวิร์กแค่ไหนจากนั้นเราก็จะมาแผ่เมตตาร่วมกันนะครับต้องใช้หูฟังสเตอริโอด้วยนะถ้าถ้าใครไม่ได้เอาหูฟังมานะจะไปหามาจากห้องทำงานน่าจะทันนะครับ15นาทีครับผมเนี่ยฮะเนี่ครับบโทษทั้งทีดอทคอม slash บีบีนนะ ระหว่างนี้15นาทีมันดาวโหลดทันนะถ้าใครจะใช้คอมโหลดก็ดีเหมือนกันนะผมจะทำไว้สองเวอร์ชั่นนะครับคือเวอร์ชั่นที่ให้ฟังแบบสตรีมเลยแค่คลิกแล้วก็ได้ฟังเลยกับเวอร์ชั่นที่ต้องดาวน์โหลดมาเป็นซิปไฟล์แล้วก็แตกออกแล้วใส่เข้ามาในมือถือทีหลังนะ okay. พอดีวันนี้จะเอาไปฝากกัน ควาต่างแค่ความต่างคือถ้าถ้าเปิดเปิดใหญ่นี่ยิงไม่ได้เลยนะเพราะว่าเวลาที่เอ่อเราเปิดเป็นโมงคเนี่ยข้างหนึ่งจนเมื่อข้างขวาเนี่ยมันจะกลายเป็นแอมเียนท์ข้างซ้ายคือพื้มันจะไม่ได้มีมาโมนช็อกโกแลตเอาไหมคะนอนนอนไม่ขนมฟังช็อกโกแลตเอ่ะทำไมไปกดสีเขียวล่ะ นูกดสีน้ำเงินให้เขียวก็ได้ใช่ไหมครับกูสีชมพู ที่อยู่ที่ใช้เป็นทุนปรชาชิได้เลยใช่ไยมัะกจอนฝากทุกคนเอาขนมปังมะยเหี่ยวหร้อเปล่เหี่ยวของย่าเสร็จมาคนอยกของค่ะ แบบดท่ันสินะครับีวมได้ออกกีเขาเด็ดแต้หมั้ย จะอยู่ในตัวเดลต้าถูกไหมขึ้นอ่ะขึ้นเดลต้าถูกไหมคนนั่งสมาธิถ้าได้ผลเนี่ยอมักจะอยู่แค่เทต้าคือล่างสุดถูกปะไม่ใช่่เอาไม่ใช่ล่างสุเหนือเหนือกว่าล่างสุดเทต้าคือเดลต้าเนี่ยมันต้องคนได้ชานคนได้ชันแบบเหมือนกับอย่างที่เขาวัดข้าวมาได้ศูนยเนี่ยศูนิ่เนี่ยจะเป็นคนได้ชานคือไม่คิดเลย ถูกไหมนิ่งๆไปเลยแล้วเดลต้าเนี่ยมันจะเด่นนำขึ<ก>้นมาอ๋อถ้าฉะนั้นคนนั่งชานเยวๆก็ไม่ดีสิจ้ะอ่าก็ไม่ไม่ควรไม่ควรยาทำงานควรจะอยู่ป่าพี่บอกว่าหลวงปู่หลวงตาเข้าชาญ7เจ็วันก็คือ อ, อยู่ในเดลต้าหมดถูกไหมคะแล้วก็ร่างกายก็หยุดหยุดการทำงานนู่นนี่มันจะอยู่ในสภาพปริโต ว่าหรือกบจําศีลอย่างนั้นใช่ไหมใช่ถ้าถ้าเราจะสม่ําเสมอแค่แบบปกติบุตุชนธรรมดาเนี่ยควรจะอยู่แค่เอาค่าใช่ไหมคือถ้าทําสมาธิลึกได้เท่าไหร่ดีก็จริงจริงแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของการบาลานเนี่ยเดี๋ยวจะพูดถึงว่าคือถ้าเราทําให้มันบาลานได้เนี่ยไม่ลึกอยู่กับตรงไหนบรงหนึ่งมากเกินไป มันจะอยู่ในโลกได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะได้ทานได้ด้วย <นะ S 2> ถ้าทำสมาธิมากเกิน<ม>ก็จะทำให้เหมือนแบบอยู่เดลต้าก็ขี้เกียจไปไม่อยากทำางานหรือไหมจ๊ะทำไมมีท้กข้อดีข้อเสียที่อาจารย์พูดคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ต้องเบถึงเดลตา้าแค่เอาฟ้ามันก็ขี้เกียจดได้ อาจารย์แล้วทำไมดูเหมือนที่อาจารย์สไลน์ั้นที่เหมือนแบบสมาธิสั้นเน่กลายเป็นไอ้ขึ้นขื่นความีน้อยคือการเป็นทมาสั้นไปอะเรื่มขัดแย้งไหถึงบอกว่าคลื่นเดียวกันเนี่ยนะถ้าพอดี เป็นคุณถ้ามากเกินไปแค่นิดเดียวเนี่ยมันไปแล้วอ <wiring S 1> ย่าง<ม>ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราทํางานถ้าจะทํางานแบบเหมือนงานมีความตื่นตัวสูงๆเนี่ยมันต้องอยู่เบต้าหรือแก๊มมาซึ่งซึ่งถ้าอยู่ในระดับพอดีทั้งวันก็จะรู้สึกไม่เครียดแต่ถ้าเมืไหร่มันมันเกินขึ้นไปขนนิดเดียวเนี่ยแน่แน่กายเป็นเครียดนะกายกายมันแบบว่ามีความรู้สึกเหมือนจะบั่นโกลนเหมือนจะบุ้งต้านแล้วก็เอ่อหอกอาการแบบคิดไม่ออกอะไรเงี้ยอย่างบนโครงแบบ ที่เรียกว่าปี๊ดแตกปี๊ดแตกนี่คือแกมมาใช่ไหมแกมมาเกินถ้ายังนั้นก็มากเกินไม่ดีแต่ดูเหมือนแบบแต่แต่แกมมาเนี่ยคือแกมมาเหมือนกันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ที่เห็นง่ายๆนะอันนี้มาแสดงเป็นรูปกราฟแต่เราไม่สามารถที่จะแสดงรายละเอียดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองจริงๆเพราะอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองอะเทคโนโลยีที่เราดีเทคได้ใกล้เคียงที่สุดคือเอ็มซึ่งเอ i เนี่ยจะบอกได้เลยว่า ณขนาดนึงสมองส่วนไหนพื้นที่ส่วนไหนกําลังทํางาน<ม>หรือทํางานผิดปกติหรือเปล่าไอ้นี่แค่แกมมาเนี่ยบอกไม่ได้ขึ้นสมองเนี่ยมันเป็นแค่อะไรที่สะท้อนออกมาว่าอยู่ในภาวะประมาณไหนคืออย่างถ้าแกมมาเขาเห็นเนี่ยเขาถ้าคนที่เชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะรู้เลยเนี่ยแกมมาแบบเนี้กาลังเป็นบ้าแล้วคือคนที่อยู่ในอัตรา ล, ล่ำแล้วไม่ไม่ใช่อยู่ อาจากย์คะว่าความถี่ของคลื่นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นระบบระเบียบเนี่ยคือขึ้นกับลมมันควรจะต้องเท่ากันถูกปะประมาณเดียวกันไม่ใช่ไม่ไม่ยังไม่นับเป็นคลนสูงและลมตางอ่ามถ้ามันแตกต่างกันมากเนี่ยแสดงให้เห็นว่าไม่มีโกัสแต่ถ้าหากว่าอยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยแสดงว่าจิตกําลังอยู่ในภาวะสม่งเสมอสมมตินะคะว่าจะเขาเรียกว่าช่วงห่างระหว่างต่าสุดกับสูงสุดนะคะแคม่จุด อคือถ้าสูบว่าห่าง ก, กันเยอะกับห่าง ก, กันน้อยมันมีในยามไหยคะมีคือถ้าห่าง ก, กันมากๆเนี่ยแสดงว่ามีความตื่นตัวสูงเกินไป<อ>แต่ถ้าแต่ถ้าถี่น้อยๆคือถ้าความสูงน้อยๆเนี่ย อ, อันนี้แสดงว่าสงบหรือใกล้เคียงกับความสงบแต่ถ้าสมมติว่าเราสูงสูงไปต่ําสุดกับสูงสุดตามมันสม่ําเสมออย่างนี้มันจะดีกว่าไหมคะ ถ้าถ้าถ้าสูงถ้าสูงมากมากถ้าสูงมากมากเนี่ยอมันแสดงให้เห็นว่า alert alert มากนะี่ถึงแม้ว่าจะสม่ำเสมอก็แปลว่า alert มากแบบสม่ำเสมอออคือถ้า alert แบบพอดีเนี่ยยังอยู่ในช่วงค c ามเนี่ยะแล้วไม่น้อยเนี่ยสูงไม่น้อยเนี่ยอย่างนี้ดีอ๋อดีกว่านะะแต่ว่าเอ้ขึ้นสม่ําเสมอแต่อยู่ a l ฟ h าก็ถือว่าดีไหม มันเสมอแต่ดีเอาต์กวาค่ะค่ค่ใช่คล้ายๆเหมือนกับแทนที่ดีกว่าใช่ไหมแต่ทั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วที่เขาแปลขึ้นออกมาเนี่ยนะมันเป็นแค่ตัวหนึ่งมันมันเป็นแค่อะไรหยาบๆจริงๆแล้ว<ม>คลื่นสมองมีห้าระดับแต่ว่าอันนี้เขาแปลมาแค่สงบ ห, หรือไม่สงบอันนี้ของทําขายแบบว่าดูเล่นนะว่ามันแตกต่างไปยังไงโอเคครับ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 ที่ผมตั้งใจให้ดาวน์โหลดกันมาหรือว่าเล่นนะคือเสียงเพื่อขยายกอาเปลี่ยกนการนับรู้นะแต่ว่าอย่างเสียงเพื่อช่วยแผ่เมตตาเนี่ยฟังแล้วมันมันพร้อมจะเอามาแผ่เมตตาได้จริงแต่บางทีก็อาจจะทําให้หลับแต่แต่ตัวแรกนี่ราไม่ด เข้าใจว่าเมื่อกี้ให้เวลานิดนึงเพราะว่าเข้าใจว่าคงต้องใช้เวลานะะขออธิบาย คร่าวๆนะครับสิ่งที่เรากำลังจะทำกันเนี่ยก็ทำกันเป็นปกติอยู่แล้วในโบสถ์ในวัดนะเราไม่ได้เป็นลทัทธิจะมาทำบุญใสอะไรกันนะครับเราจะมาแผ่เมตตากันแล้ววิธีแผ่เมตตาเนี่ยแต่ละวัดแต่ละแห่งจะมีวิธีที่ไม่เหมือนกันบางวัดเนี่ยก็ให้แค่สัปเทศ ต, ต้าเวลาผลตุนะ ถ้าเราเวรร่วมกับเขาเราก็ท่องไปกับเขา ส, เสัตว์ตาเวลาหนุนตุแล้วก็จัดการแผ่เมตตาซึ่งประสบการณ์ภายในเป็นยังไงเนี่ยไม่ค่อยจะมีใครไกด์กันนะฮะเนื่องจากมันเป็นเรื่องยากที่จะมาไกด์าภาวะภายในแต่เดี๋ยวถ้าเราได้ฟังเสียงสติร่วมกันมันจะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ประสบการณ์ภายในเนี่ยมันใกล้เคียงกันขึ้นมาคือ มีสติมีความสงบแบบพร้อมรู้นะสงบแบบพร้อมรู้เนี่ยก็คือภาวะที่ใจเนี่ยมันสามารถรู้สึกถึงความสุขของตัวเองนะแล้วก็สามารถแผ่ความสุขออกไปโดยรอบได้มันจะรู้สึกขึ้นมาเองเป็นสันทายานทางใจนะเวลาที่พระพุทธเจ้าสอนให้แผ่เมตตาเนี่ย เดิมทีท่านสอนให้พิจารณาความโกรธความพยาบาม ท, ที่มันเกิดขึ้นกับุมจิตใจเรากับกินหัวใจเราอยู่เนี่ยนะว่ามันเปลียบเหมือนกับโรคมันเหมือนเชื้อโรคที่ เ, ออเป็นนามธรรมนะถ้าพิจารณาว่าอาการป่วยนี้เป็นความไม่ปกติแล้วถ้าหากว่าเราสามารถจะทิ้งมันไปได้หายป่วยได้มีอะไรรักษามันได้เนี่ยก็จะได้กลับมาสบาย มีความสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะมีกําลังวางชาแล้วก็กลับมาเป็นปกติได้เนี่ยพระพุทธเจ้าให้พิจารณาเปรียบเทียบกับโรคป่วยทางกายแบบนี้นะว่าเออเนี่ยถ้าวางซะได้นะมันก็สบายแล้วก็หายป่วยเห็นเห็นความพยาบาทเป็นอาการป่วยเนี่ยมันก็จะพร้อมวางพอวางได้เนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกนะมันโล แล้วมันเกิดความรู้สึกว่ามีความปลอดโปรง่งมีความพร้อมที่จะแผ่ความสุขอันเกิดจากการไม่เบียดเบียนกันเนี่ยให้กับคนรอบตัวหรือแม้แต่ศัตรูผู้อาฆาตอันนี้เหมือนกันเราแค่ตัดตอนตรงช่วงที่บอกว่าพิจารณาจิตเหมือนโรคเนี่ยนะเหมือนเหมือนกับจิตกาลังป่วยอยู่ให้มันมีความสุขขึ้นมาเราเราใช้เสียงสตีเนี่ย ช่วยจูนให้สมองมันมีย่านความถี่นะทุกย่านสมดุลกันพอสมดุลกันแล้วมันเกิดความสุขขึ้นอีกแบบหนึง่งนะสุขแบบที่าหายใจโล่งขึ้นสุขแบบที่เนื้อตัวผ่อนคลายและสุขแบบที่เราตั้งเป้าหมายได้ว่าจะเอาความสุขไปให้ใครขอให้นึกนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกไว้ล่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราทำพร้อมกันนะผมจะทาด้วยเพื่อให้รู้ว่ามันซิงกันนะ พอมันพอไปถึงจุดที่มีความสงบสุขแล้วคือเสียงมันหมดลงแล้วเนี่ยนะอย่าเพิ่งลืมตานะครับเดี๋ยวผมจะพูดว่าจะให้ตั้งจิตไว้อย่างไรนะเพื่อให้มีประสบการณ์พร้อมๆกันมีความสุขจากภายในด้วยแล้วก็สามารถแผ่ออกไปสัมผัสความสุขภายนอกได้ด้วยนะเดี๋ยวเราอันนี้คงพร้อมจะเริ่มกันนะ เดี๋ยวมากดเพลงพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวอขอบอกเดี๋ยวรอผมให้สัญญาณนิดนึงนะครับมันจะได้ซิงกันอคุณจะมีประสบการณ์อีกแบบหนึ่งเลยนะพอมีความสุขพร้อมๆกันระดับไล่เยี่ยกันหรือเสมอกันแล้วมาแผ่เมตตาเข้าหากันเนี่ยนะฮะ มันก็จะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ลึกลับอะไรเลยเหมือนกับเราสามารถเปล่งเสียงได้ในระดับเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะมาร้องคอรัสร่วมกันได้นะเอานะครับทุกท่านนะเสียงแรกนะเสียงเพื่อขยายขอบเขตการรับรู้นะครับอนะหนึ่งสองสามเอาแนละ้ว อ, นะอย่าเพิ่งลืมตานะ เข้าใจว่าหลายๆคนน่าจะถึงจุดที่เสียงสิ้นสุดนะครับหรือถ้าบางคนเสียงยังคงอยู่ก็ไม่เป็นไรอย่าเพิ่งลืมตานะเราจะมามีประสบการณ์ร่วมกันตอนนี้เนี่ยหลายคนน่าจะรู้สึกได้ถึงความสะเทียนของความสุขเบาๆที่เกิดขึ้นนะแต่ความสุขแบบนี้เนี่ยมันจะมีความแผ่ออกไปมีความกว้างขวางขึ้นกว่าเดิม ปกติเนี่ยถ้าเรากดเราเกรงให้มันนิ่งมันจะมีความรู้สึกขุดตู้เข้ามาข้างในแต่นี่เมื่อจิตเปิดนะแล้วมันแผ่ออกขยายออกเราจะรู้สึกถึงความสามารถของจิตนะที่จะแผ่ความสุขออกไปแค่มองตรงไปข้างหน้าคือหลับตาอยู่นี่แหละนะแต่สายตาเนี่ยมองตรงทะลุหนังตาออกไปรากับว่าเรากำลังมองที่ไกลๆนะเราจะรู้สึกได้ ว่าก็ตัวของเราในขณะนี้นะมันมีความสุขแบบเดียวกันอยู่เราแค่ตั้งไว้นะว่าจะอยู่ในความสุขแบบไม่มีการเบียเบ่ยนเรียนร่วมกันเหมือนกับที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยนะแล้วช่วยกันให้ความสุขเนี่ยมันเหมือนสายน้ํามันเหมือนกับอผืนน้ําที่กว้างใหญ่นะเท่ามาหาสมุทรเนี่ยแผ่ออกไปไม่จํากัดไม่มีตำราณ ไม่เฉพาะอยู่ในห้องนี้แต่แผ่ทะลุผนังห้องออกไปทำให้โลกทั้งใบเนี่ยมันถูกท่วมทับด้วยมาหาสมุทรแห่งความสุขท่านเกิดจากการไม่เบียดเบียนกันสั่งไฟต่างนิ่มเป็นสุขอยู่ในที่ของกันอันนี้แหละที่มันจะทำให้เราสัมผัสได้ว่านะคำว่าแผ่เมตตาจริงๆเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงอันนี้คือประสบการณ์ร่วมกัน รอบแรกเดี๋ยวก่อนเราจะจบเนี่ยนะผมจะให้ทุกคนมานั่งแผ่เมตตากันอีกครั้งหนึ่งตอนเนี้ยจะเป็นช่วงที่เปิดโอกาสนะให้ให้ถามคําถามนะเพราะว่าพอเพิ่งทำไปเนี่ยมันจะมีคําถามเกิดขึ้นมาแน่ๆแล้วก็เราจะจูนคําถามคําตอบได้ตรงกันจากการที่นะเพิ่งจะมีประสบการณ์เดียวกันร่วมกันนะครับ ผมขอตัวอย่างนิดนึงกรุณาให้ความร่วมมือด้วยนะตอนนี้ใครมีความรู้สึกว่าเป็นสุขบ้างครับช่วยกาุณายกมือนะที่มันมีความสุขที่มันมีความเบาเนี่ยนะโอเคช่วยช่วยยกค้างไว้นิดนึงนะครับช่วยช่วยยกค้างไว้นิดนึงนะโอเคประมาณครึ่งหนึ่งนะเกือบครึ่งเดี๋ยวถือว่าอันนี้เป็นครั้งแรก ที่เป็นประสบการณ์หลายๆคนนะอาจจะยังไม่เคยนั่งสมาธิหรือว่ า, า จ, จะระหว่างทำมันมีความคาดหวังหรือมีความสงสัยหรือมีความรู้สึกเหมือนกับไม่สะดวกใจอย่างไรไม่ทราบนั่งคนกหลายๆคนเนี่ยนะปกติเคยนั่งสมาธิคนเดียวเดี๋ยวเราไปทากันอีกรอบหนึ่งอันนี้ผมจะเก็บตัวอย่างแค่รอบแรกอันนี้คือประมาณครึ่งหนึ่งนะสาหรับคนที่ รู้สึกว่าหายใจโล่งขึ้นรู้สึกว่ามีความสบายในการหายใจนะกรุณาให้ความร่วมมือนะครับช่วยย้มือหน่อยนะรู้สึกว่าหายใจโล่งขึ้นมีไหมครับหายใจโล่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะฮะแค่บอกว่าหายใจโล่งขึ้นนี่เรื่องอับอายขายหน้าใช่ไหมไม่ไม่ไมค่อยอยากบอกกันนะอ่อะก็เกือบเครื่องเหมือนกันคือที่เราความไปเนี่ยจริงๆแล้วเป็น อะไรที่มันเพิ่งเพิ่เกิดขึ้นนะนะ6นาทีนะครับมันมีเวอร์ชั่นที่ยาวกว่า น, นี้แต่ว่าไม่เหมาะที่จะเอามาทำการทดตองนี้ในช่วงเวลา6นาทีถ้าหากว่าใครมีประสบการณ์รู้สึกถึงลมหายใจที่ยาวขึ้นแล้วก็รู้สึกถึงจิตใจที่เบิกบานจิตใจที่ปลอดปร่อันนั้นแสดงว่า คุณฟังเสียงโดยสมองไม่มีอาการต้านเสียงผมไม่ได้พูดถึงตัวคุณนะนี่พูดถึงเรื่องของสมองอย่างเดียวลุ้นๆเลยนะนี่เป็นประสบการณ์ที่เรากําลังจะเอามาแลกเปลี่ยนกันเอามาพูดถึงกันแบบสดๆร้อนๆเพราะว่ามันเพิ่งถูกประจับนะยังจํากันได้ว่าภาวะเป็นอย่างไรอยู่ถ้าหากว่าคุณมีความหมกมุ่นคุนคิด มีความเคร่งเครียดมากนะหรือว่ามีความคาดหวังสูงขอให้ทราบว่าสมองคุณนะมันจะไปอยู่แถวแถวเบต้าแกมมาในแบบไม่มีระเบียบและมันจะต้านการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการฟังเสียงสติเสียงมันไม่ได้ช่วยให้คุณมีสติแต่ถ้าหากว่าคุณให้ความร่วมมือกับมันโดยการฟังมันเฉยๆแล้วสังเกตความต่างของลมหายใจไปนะ อันนี้เป็นกติกาข้อหนึ่งที่หลายๆคนเชื่อว่ามะทูนี้ไม่ได้ทำนะถ้าคุณสังเกตลมหายใจไปด้วยระหว่างฟังเสียงสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคือร่างกายจะค่อยๆมีความยืดหยุนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเริ่มจากรีแลกซ์ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมที่ผมบอกนะรีแล็กซชันนะครับคือเราไปอยู่ที่จุดที่เสียงดนตรีเนี่ ย, น, ยนำให้เกิดความผ่อนคลายจากนั้นเอาลงสูขึ้นเดลต้าถ้าใคร ไม่ไปด้วยกับไอ้คลื่นเดลต้าเนี่ยคืออาจจะมีความรู้สึกไม่ชอบเสียงหรือมีความรู้สึกเหมือนกับพยายามคิดวนอยู่ในหัวหรือมีความตั้งเป้าหมายว่าฟังเสียงปุ๊บมันจะต้องสงบลงทันทีอันเป็นความเคยชินแบบผิดๆของนักทำสมาธิทั่วไปนะอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลคือพูดง่ายๆว่าสมองคุณจะค้าคาอยู่แถวแถวเบต้ากับแอมมาไม่ยอมลงมาแม้แต่ อัลฟาอย่าว่าแต่จะเป็นเทต้าหรือว่าเดลต้านะสำหรับคนที่มีประสบการณ์ในช่วงท้ายเหมือนกับแผ่ความสุขออกไปได้เป็นแล้วสามารถสัมผัสความรู้สึกเป็นสุขนะที่มีอยู่ทั่วทั้งห้องนี้ได้นะตรงนั้นหมายความว่าคไม่ใช่หมายความว่าคุณเก่งนะหมายความว่าสมองคุณไม่ต้านเสียงไม่ต้านการจูน คลื่นสมองลงมาเป็นอัลฟาลงมาเป็นเดลต้าแล้วไล่ขึ้นมาเป็นแกมมาสำหรับคนที่ผมเข้าใจว่าคงมีอยู่น้อยนะแต่มีนะผมผมว่ามีนะคนที่รู้สึกว่าฟังเสียงจบแผนแม่ตาเสร็จนะแล้วหูตาตื่นนะเหมือนกับรู้สึกหูตากว้างฝางนะมีคนพยักหน้าแสดงว่ามันมันมีอยู่จริงๆนะไม่ใช่เรื่องนึกลับไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในนิยายปรรมบลานะ แต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะว่าสมองคุณนะนอกจากจะไม่ต้านการดูนเสียงแล้วมันยังถูกปรับให้เข้าสู่สมดุลคือเป็นภาวะที่ไล่ขึ้นมาตั้งแตเดลต้าถึงแกรมมาเนี่ยมีความเสมอกันมันถึงหูตาตื่นอย่างคลื่นแกรมมาเนี่ยนะตอนนี้แลบต่างๆทั่วโลกนะที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องคลื่นสมองเนี่ย เขากำลังตื่นเต้นกันมากเลยบอกว่าริมันมีอยู่จริงๆนะไอ้ที่ประเภทที่เก็บตัวอย่างมาได้อย่างพวกพระพวกอะไรที่ปฏิบัติมาเนี่ยนะแล้วพบว่าไอ้ขึ้นสมองเนี่ยสามารถจะลงไปแบบสงบเกือบท่ า, าบเลยแทบจะไม่กระดิกขึ้นมาเลยแต่พอบอกว่าแอ้ไหนโชว์หน่อยโชว์พลาวหน่อยนะมันตีถี่ขึ้นมาแทบทะลุกระดาษพูดง่ายๆว่าถ้าลงได้ถึงเดลต้า สงบน่าค้าทมากอันนี้เก่งแล้วนะสงบด้วยตัวเองนะไม่ใช่ใช้เสียงช่วยนะแล้วก็สามารถที่จะตีขึ้นสูงสูงแบบผิดมนุษย์ได้เนี่ยอันนั้นคือมีพลังจิตด้วยมีทั้งความสงบด้วยมีทั้งพลังจิตด้วยนะซึ่งพลังจิตเนี่ยอาจจะหมายถึงใช้ไปรู้อะรกิจพนหรือว่าใช้เคลื่อนย้ายวัตถุ ก, ก็ได้บางบางแลบโชคดีได้ตัวอย่างตรงนี้มาก็รู้ว่า เคลื่อนแกมมาเนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่แล้วทุกวันนี้นะคือเขาใช้การทดลองกับหนูนะบอกว่าไปเปลี่ยนไปดัดแปลงไอ้สภาพเซลล์สมองของหนูเนี่ยให้สามารถมีความรับแสงได้มีความไวต่อแสงแล้วนกะ็ว่ากะพิบกรพริบรให้มันเป็นแสงระดับความถี่ของแกมมาปรากฏว่าหนูตัวนี้สามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายตัวเองได้จากสภาพบาดเจ็บ หรือมีความฉลาดมากขึ้นเขาก็เลยสรุปว่าให้ขึ้นกันมาเนี่ยนะถ้าค้นพบวิธีที่จะทริกเกอร์มันเนี่ยในสมองมนุษย์เนะี่ยมันสามารถที่จะใช้เป็นทรีตเมนต์ได้คือรักษาโรคได้อาจจะรักษาอะไรก็ได้อย่างเช่นที่เมื่อกู้ที่คุณต้องพบกันไปเนี่ยถ้าหากว่าคุณรู้สึกหูตาตื่นขึ้นนะตรงนั้นเนี่ยมันคือกันมาแบบดีแล้ว แล้วที่คุณจะรู้สึกว่าจมูกโล่งขึ้นใครเป็นไซนัสอักเสบแล้วมีความรู้สึกว่าหายใจได้โล่งขึ้นทันทีนี่นั่นไม่ใช่เรื่องหน้ามหัศจรรย์แบบที่เป็นปาฏิหาริย์แต่เป็นเรื่องหน้ามหัศจรรย์ของสมองที่เรายังทนไปไม่ถึงนะนะว่ามันมีรหัส ร, รับที่จะปลดล็อกอะไรได้บ้างนี่เวลาที่เรามาพูดกันเรื่อง มีความตื่นตัวมีความพร้อมรู้นะหูตากว้างขวางเนี่ยทางโลกแน่นอนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการทํางานนะคุณแค่พยายามทํางานไปโดยสังเกตว่าจิตมันจะไม่เปลี่ยนคือไม่กระโดดขึ้นไปกว่านี้แล้วก็ไม่ตกลงไปกว่านั้นนะถ้ายังอยู่ในภาวะหูตาตื่นได้คุณจะทํางานได้อย่างรู้สึกเลยว่าไอคิวสูงขึ้นหลายสิบจุด ทันทีคือคิดเอาแยกสามารถแยกเรื่องไม่เป็นเรื่องออกไปได้ทันทีนะไอ้ที่มันเป็นอารมณ์และเอาอะไรที่มันจำเป็นเป็นเป้าหมายอยู่ตรงหน้าเนี่ยมาวางไว้ต่อหน้าจิตได้ทันทีโดยไม่มีบทบาขัดขวางตรงนี้แหละเรียกว่าประสิทธิภาพการทำงานที่แท้จริงพูดง่ายๆถ้าคุณฟังเสียงสตินี่บ่อยๆแล้วคงให้สภาพเนี่ยหลัง อากฟังเสียงเสร็จเนี่ยนะอยู่กับเนื้อกับตัวได้ทํางานโดยไม่ให้จิตเพี้ยนไปกว่า น, นั้นได้หมายความว่าคลื่นสมองของทุกระดับเนี่ยถูกปรับให้อยู่ในสภาวะสมดุลด้วยงานที่อยู่ตรงหน้าคุณนั่นแหละคือไม่ใช่เสียงสตินะเสียงสติเนี่ยคุณฟังตอนทําสมาธิตอนอยู่ที่บ้านตอนอยู่ในรถมีคนขับให้พอมาถึงที่ทํางานคุณใช้งานเป็นตัวดูลคลื่นสมองให้มันอยู่ในระดับสมดุลต่อ เนี่ยอันนี้คือถ้าเราไม่มาฟังเสียงสติตรงนี้จะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้าหากว่าใครมีประสบการณ์ที่รู้สึกว่าหูตากว้างขวางขึ้นอันนี้แหละจะคุยกันรู้เรื่องนะในหัวของคุณจะมีความรู้สึกว่ามันโล่งมันโปร่งนะแล้วมันพร้อมที่จะรับรู้อะไรตามจริงไม่ใช่พร้อมที่จะอยากได้อะไรตามอารมณ์เหมือนอย่างที่เคยผ่านๆมานี่คือจุดเริ่มต้นของการทํางานแบบคนมีไอิวสูง นะี่นี่แถมถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ในหัวข้อนีนะ้ของวันนี้แต่ว่าเราที่อยู่ในห้องทุกคนเนี่ยนะก็น่าจะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคืออยากให้ชีวิตเนี่ยไม่ใช่จบไปพร้อมกับงานดังเดียวแต่อยากเข้าถึงเลยเพดานนะฮทะลุไอขีดจำกัดของมนุษย์ออกไปไปสู่ความรู้จักมิติที่ มันไม่มีความทุกข์เนี่ยอย่างที่เรานั่งนั่งอยู่ด้วยกันในห้องเนี่ยเขาเรียกมิติยากมิติของการมีความทุกข์และทุกข์อยู่ร่วมกันทุกข์เพราะว่าเครื่นสมองมันไม่สม่ำเสมอทุกข์เพราะความฟุ้งซ่านในเรื่องไม่เป็นเรื่องทุกข์เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปทํางานถูกบีบทั้นนะด้วยข้อจํากัดของเวลาหรือว่าด้วยความโกดร้ายของเจ้านายนะะอันนี้แล้วแต่ว่าใครจะประสบกับความทุกข์ น้อยหรือมากเพียงใดแต่ถ้าหากว่าเรามาทางพุทธและต้องการทะลุไอเพดานจากัดของความเป็นมนุษย์นี่ออกไปนะเราต้องเริ่มจเจริญสติโดยอาศัยตรงนี้ที่เสียงสติเนี่ยนะช่วยเคลียร์พื้นที่ความฟุ้งซานให้กับสมองแล้วอาศัยนะฮไอประสบการณ์ตรงนี้เนะี่ยเป็นจุดเริ่มต้นในการมองอะไรอะไรตามจริงมองอะไรตามจริงหมายความว่าอย่างไรมองเห็น ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในขอบเขตของกายใจนี้มันกำลังฟอมตัวเองว่ามันไม่ใช่ตัวเดิมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะไม่มีอะไรเลยที่มันเป็นตัวตนจริงๆมันเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆมันมันเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การเห็นว่าลมหายใจเดี๋ยวเข้าแล้วก็ออกเดี๋ยวยาวเดี๋ยวก็สั้นมันไม่เคยมีลมหายใจชุดเดียวกันเลยตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งวิญญานาทีนี้แต่เราไม่เห็นเพราะว่า พื้นสมองไม่อำนวยนะแต่พอเราปรับพื้นสมองให้มันเคลียร์แล้วเจ็ดมีพื้นที่ความว่างแล้วก็มีพื้นที่ให้สติยืนแล้วเนี่ยมันจะสามารถเห็นได้โดยไม่มีคําคัดค้านใดๆในสมองเกิดขึ้นมันจะเห็นตามจริงอยู่อย่างนั้นแหละว่าลมหายใจเดี๋ยวก็เข้าแล้วเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวมันก็สั้นนะเดี๋ยวมันก็หยุดพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมันก็เข้ามาใหม่ไม่มีทางที่จะหายใจเข้าอย่างเดียวไม่มีทางที่จะหายใจออกแล้วไม่ต้องหายใจเข้าใหม่ ไม่มีทางที่จะหายใจยาวแล้วก็ไม่ต้องหายใจสั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสภาวะสมาธิที่ร่างกายมันกําลังยืดหยุ่นอยู่มากนะมีความยืดหยุ่นสูงหายใจไปชั่วโมงหนึ่ง ย, วยาวๆเนี่ยในที่สุดมันก็ต้องสั้นลงตรงนี้พอเห็นมันก็จะเห็นเป็นเงาตามมาว่าหายใจยาวทําให้รู้สึกสบายโล่งมีความสุขนั่นเรียกว่าสุขเวทนา หายใจสั้นมันจะมีความอึดอัดเรียกว่ามีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์อยู่ขึ้นมาเล็กๆถึงแม้ว่าคุณจะไม่เจอความทุกข์ภายนอกความทุกข์ภายในร่างกายมันก็แสดงมันก็ปรากฏอยู่แล้วแต่ไม่เคยสังเกตแล้วก็ประเภทรำไม่ดีโทษปี่โทษกองนะะเราจะไปโทษเหตุภายนอกอย่างเดียวว่าโลกนี้มันแย่โลกนี้มันเป็นทุกข์แต่จริงๆ เริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่สภาวะทางกายสภาวะทางใจของเราเองนั่นแหละนะที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ตัวจริงซึ่งเมื่อเราเห็นด้วยจิตที่มันปลอดโปร่งด้วยจิตที่มันมีสติเต็มด้วยใจที่มันว่างจากอคติด้วยใจที่มันว่างจากอาการต่อต้านใดๆมันจะยอมรับและยอมรับมากขึ้นมากขึ้นยอมรับแบบที่ทาให้รู้สึกว่าตัวเองฉลาดขึ้นฉลาดออกมาจากจิตไม่ใช่ฉลาดออกมาจากสมองนะ จะลาออกมาจา ก, กจิตสัมผัสว่าเฮ้ยเอออันเนี้ยถ้าเรามองมันตรงๆถ้ามีการรับรู้มันตรงๆนะมันใช่จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างต้นเหตุของทุกเนี่ยมันมาจากข้างในไม่ใช่จากข้างนอกนี่คุณจะข้ามพ้นจากข้อสงสัยไปได้ด้วยพอจิตมันว่างไปเรื่อยๆนะคุณจะรู้สึกถึงการทำงานของสมองส่วนหนึ่งแล้วก็รู้สึกถึงจิตอีกส่วนหนึ่ง จิตที่มันมาจากตรงกลางและสมองที่มันมาจากข้างบนทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์แม้แต่เนี่ยวิทยาศาสตร์ทางเรนเวเนี่ยหรือคลื่นสมองนี่นะส่วนใหญ่5้าสิบปอร์เซนต์ก็ยังเชื่อกันอยู่ว่าทั้งหมดเป็นเรื่องการทำงานของสมองล้วนๆไม่มีสิ่งอื่นนอกเหนือจากนี้ทั้งๆที่ยังตอบคาถามสำคัญที่สุดไม่ได้นะว่าถ้าสมองมันเป็นคนทำงานทั้งหมด แล้ว Consciousness หรือว่าการรับรู้เนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากพื้นที่ส่วนไหนของสมองเนี่ยตอนนี้เขากำลังสันนิษฐานกันอยู่ว่าคนพบว่ามันมีสิ่งที่เรียก ว, ว่าแจนเนรอนอยู่ตรงกลางสมองในะเซล์ประสาทขนาดยักษ์อยู่สองสตัวนะเขาสันนิษฐานว่าไอ้นี่แหละคือการรับรู้ ค, รรรคือตัวผลิตคอ s เชสเ s สแต่ไม่มีเปเปอร์ไม่มีการพิสูจน์ไม่มีหลักฐานอะไรทั้งสิ้นนะได้แต่แค่สันนิษฐานเฉย นี่ถ้าสมมุติว่าเชื่อกันจริงๆว่ามันมาจากไอ้ไอ้ไอ้ไนิวรอนขนาดยักษ์ไอ้ตัวเซลล์ประสาทขนาดยักษ์ใจกลางสมองก็ต้องตั้งความสงสัยกันอีกนะว่าไอ้ใจนิวรอนเนี่ยมันทํางานมันสตาร์ท ก, การทำงานขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะถูกจุดชนวนการทํางานขึ้นมาตั้งแต่อยู่ในท้องตอนไหนมันจะมีข้อสงสัยข้อน่าสงสัยอีกมากมายนะเพราะตอนเนี้รู้ๆกัน อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ว่าทารกที่อยู่ในท้องเนี่ยสองสามเดือนเนี่ยรู้ตัวแล้วคิดได้แล้วรู้สึกได้แล้วยพยายามขยื่นตัวเนี่ยด้วยความรู้สึกตัวได้แล้วแต่พวกเราเนี่ยลืมกันหมดนะฮะนี่ถ้าทําสมาธิได้ลึกพอเนี่ยมันก็ย้อนกลับไปสา ม, มารถระลึกได้ว่าแม้กระทั่งอยู่ในท้องของแม่เนี่ยมันเห็นเป็นผนังท้องได้มันมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนได้ในตรงเนี้ถ้าเราไปเชื่อว่าสมองมันทํางานอย่างเดียว มันจะให้คำตอบไม่ได้เลยว่าเริ่มทำงานขึ้นมามีความรู้สึกมีคอนเทนต์เสร็จขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะเอาละเดี๋ยวผมเปิดโอกาสให้คุณถามประมาณมีเวลาประมาณเอาประมาณครึ่งชั่วโมงก็แล้วกันนะฮะสำหรับคำถามคำตอบนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ย พอเคลียร์ข้อสงสัยแล้วว่าเอ๊ะมันทำไมทําได้ทําไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาลองกันรอบสองรอบสองผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีคนยกมือเพิ่มนะเพราะพอมันได้เข้าใจจริงๆว่าเราจะเราเราอาศัยเสียงสติเนี่ยไม่แค่ช่วยเคลียร์พื้นที่ใหนะ้แต่ว่าเรื่องของทิศทีเรื่องของมุมมองเรื่องของการว่าจะเอาไปใช้อย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจล้วนเลยนะมันไม่ใช่เรื่องของสมองแล้วนะ เอาละครับคําถามนะเอถ้าใครมีคําถามเชิญยกมือได้นะครับแล้วเดี๋ยวไม่จะลอยไปนะรับรองว่าไม่ใช่วิธีว้างนะครับเชิญเลยครับเสียงสเ ต, เตทที่ใช้เมื่อสักครู่นะะียค่ะถ้าเกิดว่าเรากาลังร่วงเนี่ยก็จะทําให้การตื่นของเราเนี่ย แล้วก็ทำงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ั้ยคะคือผมถึงแยกแยะไ ว, ยว้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณลองดูนะอันนี้เสียงเพื่อขยายขอเพตการรับรู้เหมาะสำหรับตอนที่เรากำลังตั้งใจนั่งทำสมาธิเหมาะสำหรับท่านั่งนะเพราะว่าเวลาที่คลื่นแกมมามันถูกดึงออกมาให้มันเด่นเนี่ยให้มันอยู่ในภาวะสมดุลเนี่ยนะตาจะตื่นตาจะแข็งออแล้วก็เกิดความรู้สึกว่า นอนไม่หลับอันนี้หลายคนแต่ว่าบางคนก็นอนหลับเหมือนกันนะโดยเพราะพวกขี้เศรนานะถึงแม้ว่าแกรมมาจะตื่นเนี่ยมันก็จะสามารถหลับลงได้ถ้าหากว่าอยากทําในท่านอนอยากฟังในท่านอนแนะนําให้ใช้เสียงเพื่อช่วยแผ่เมตตาเพราะเสียงเพื่อแผ่เมตตาเนี่ยนะฮะมันจะทําให้คือเบื้องหลังก็คือว่าผมอย่าไม่ดึงเบต้ากับออแกรมมาขึ้นมาจะเอาแค่เดลต้าเทต้า แล้วก็อัลฟานะซึ่งซึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยผลก็คือว่าเราจะมีความสุขเหมือนไม่อยากคิดตอนไม่อยากคิดนี่นแหละคือตอนที่เหมาะกับการนอนหลับเข้าใจใช่ไหมนะโอเคก็สรุปว่าถ้าจะใช้เสียงสติช่วยในการนอนนะครับเอาเสียงที่ช่วยแผ่เมตตานะครับแต่ถ้าจะใช้ช่วงก่อนจะเริ่มทำงานอันนี้เหมาะเลยใช่ไหมเหมาะกตเสียงแรก เพราะว่าเพรเมื่อสักครู่นี้ยพอนั่งนั่งไปอ่ะมันจะมีมีมีเขาเรียกว่าอะไรก่อนก่อนช่วงสุดท้ายอะค่ะมันจะฟืบฟืบที่ที่ดวงตาของเราทั้งทังที่เราหลับตาะมันจะเป็นแสงสีม่วงแล้วมันจะเข้าเข้าออกเข้าเข้าออกแล้วมันก็ว่างโล่งมันก็แบบตื่นหัตาตื่นใช่ไหมเหมือนกันเราตื่นนอนแบบเต็มอิ่มใช่ค่ะเหมือนเหมือนกันเราไปอยู่ในที่เขาใหญ่ที่มันมีโอโซนเยอะๆอะไรเนี้ยนะอันนั้นเป็น คือ ป, ประสบการณ์ของแต่ละคนจะแตกต่างกันนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเห็นแสงม่วงหรือว่าแสงว่าหรือว่าอะไรขึ้นมาหรือแม้กระทั่งความกว้างของความรู้สึกสบายหูตาตื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเต็มแบบทุกคนอ ย, อ, ยอย่างอันนี้ที่เพิ่งเกิดขึ้นกับเรานะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับจุดบอกว่าที่เวลาภายในหกนาทีเราสามารถตื่นได้ด้วยเสียงส ต, ตินะฮะแล้ว ความคิดแบบเนี้ยลองนึกดูถึงปัญหาที่คุณกำลังติดขาดอยู่ถึงปัญหาที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้หรือคิดไม่ออกนะด้วยจิตแบบนี้มันจะคิดออกแบบง่ายๆเลยภายในครึ่งนาทีนะแค่แค่นึกถึงมันนิดเดียวอันนี้ผมถึงเคยบอกว่าคนที่ทำงานเก่งนะไม่ใช่คนที่คิดมากนะตรงข้ามคิดน้อยแต่มันตรงจุดแต่นี้มันไปถึงตรงนั้นไม่ได้ไงเพราะจิตมันไม่ยอมสมองมันไม่ยอมนะะ ทีนี้พอได้เครื่องช่วยตรงนี้มาก็เท่ากับว่าเรามีเหมือนกับสปริงบอร์ดช่วยให้กระโดดไปได้ไกลขึ้นในก้าวแรกเพราะก้าวแรกเนี่ยเป็นก้าวที่คนไม่อยากจะก้าวมันมากที่สุดมันหนืดมันฝืดมันเหมือนติดลมอยู่แต่ว่ามีสปริงบอร์ดดีดตัวเราไปได้ไกลถึงจุดหนึ่งโดยเราไม่ต้องออกแรงมากเราจะรู้สึกว่ามันว่ายน้ําได้ง่ายขึ้นขอบคุณค่ะอ่าคําถามต่อไปนะครับ จะเลยครับเดี๋ย ว, วพอหมดคําถามผมเชื่อว่าน่าจะเคลีย์อะไรที่คาใจอยู่ได้มากนะแล้วเสียงนี้อผมไม่ได้ให้ใช้ได้เฉพาะวันนี้นะคุณสามข้าใช้ได้ตลอดไปชั่วชีวิตนะจะเลยครับอยากสอบถามค่ะพอเริ่มฟังเสียงครั้งแรกแล้วมีความรู้สึกว่าหน่วงที่ห น, น, น้าผากหว่างคิ้วตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายคนผมะจะบอกให้อย่างนี้สมองส่วนหน้าเนี่ยนะเวลาที่เราทํางานเนี่ยมันคือมิตรของเรา แต่เมื่อไรเราพยายามที่จะทําสมาธิพยายามจเจริญสติหรือพยายามจะนอนให้หลับมันจะทําตัวเป็นศัตรูของเราทันทีคุณนึกถึงไอ้เครื่องผลิตคลื่นบรบกวนน่ยนะนะเวลาที่เราทํางานอยู่มันก็จะส่งคลื่นบรบกวนออกมาเช่นกันนะสมองส่วนหน้ายิ่งทํางานหนักขึ้นเท่าไหร่นะเรายิ่งได้คลื่นบรบกวนมากขึ้นเท่านั้นเพราะเรามาถูกจูนด้วยเสียงสติ นะสมองส่วนหน้านี่แหละที่มันจะพยายามต่อต้านมากที่สุดมากกว่าสมองส่วนอื่นถ้าถ้าคุณรู้สึกสงบได้เนี่ยอันนั้นสมองส่วนหลังเนี่ยมันเริ่มเวริร์กแล้วมันจะเกี่ยวพันกับสมองส่วนหลังเวลาที่คุณรู้สึกผ่อนคลายสังเกตดูนี่มันมันเหมือนมันเหมือนไม่มีหน้ามันเหมือนเราเราอยู่ที่แบล็คปาวนะฮะหรือเหมือนคนที่จเจริญสติทําสมาธิแล้วเกิดประสบการณ์แยกรูปแยกนางเนี่ยจะเหมือนการถอยไปอยู่ข้างหลังนั่นก็นเพราะว่า สมองส่วนหลังมันเริ่มเด่นเหนือสมองส่วนหน้านี้ตอนที่เรายังเป็นพวกแบบว่าพูดง่ายๆนะชอบจับโน่นโน่นนี่เนี่ยมาผสมกันเป็นความคิดเกินจําเป็นนะไอ้สมองส่วนหน้าเนี่มันจะแอคทีฟแรงที่สุดคนที่รู้สึกปวดหัวมันจะถึงได้เริ่มรู้สึกหนักมาจากส่วนหน้านะ มันจะมีความรู้สึกตัวมันหนักหนักตัวมันอึ้งอึงหน้ามันหน้าผากมันเหมือนเงินบวมขึ้นมาหนักหนักขึ้นมาก็เพราะอย่างนี้เพราะสมองส่วนหน้าเนี่ยมันไม่ยอมหยุดนะทีนี้พอเราฟังเสียงสติที่พยายามจูนให้เข้าสู่ภาวะสมดุลนะสมองส่วนหน้ามันจะบอกไม่เห่ามันไม่ยอมตอนที่มันบอกไม่ยอมนั่นแหละคือตอนที่เรารู้สึกหนักหนักขึ้นมาหน่วงหน่วงขึ้นมาแต่เมื่อกี้ช่วงท้ายมันดีขึ้นใช่ไหม นั่นแหละคือมันยอมแพ้นะมันเริ่มมันเริ่มแบบว่าไม่ไม่สู้ต่อขอให้ทราบว่าไม่ใช่อาการผิดปกติแต่มันเป็นปกติสำหรับบางคนที่คิดเกินจัาเป็นแล้วคุณจะพบว่าเมื่อใช้เสียงสติไปเรื่อยๆจนกระทั่งสมองถูกเทรนให้คิดพอดีพอดีสังเกตตัวเองมีสตินะว่าเออไม่ไม่คิดอะไรมากเกินไป เกิดการทั่งเกิดความเคยชินแบบใหม่อาการต่อต้านตรงเนี้ยมันจะลดลงหรือกระทั่งเหลือศูนย์ในในช่วงเริ่มฟังเสียงสติและจะเบาเหมือนหายไปเลยเมื่ออยู่ช่วงท้ายห้านาทีหกนาทีอันนี้ยหลายคนพยายามขอผมนะว่าเอาเสียงตรงเนี้ยให้มันนานๆได้ไหมนะนานมากๆเลยอยากอยู่กับความรู้สึกตรงนี้เบาเหมือนกับไม่คิดเหมือนกับ ไม่มีความกัดตุ้มอะไรทั้งสิ้นนะผมขอบอกว่านี่เป็นช่วงที่ผมทำออกมาได้มั่นใจแค่นี้นะว่ามันจะไม่เกิดไซเฟ็กอะไรนะถ้าเพราะการทำเสียงแล้วได้ผลเนี่ยหนึ่งนะคือต้องมิกเสียงมีความถี่ให้ได้รหัสตรงกับมันพูดง่ายต้องได้กุญแจมาซึ่งกุญแจนี่หายากมากๆนะเหมือนกับงมเข็มในมาหาสมุทรเลยนะนอกจากนั้น เรื่องของลำดับว่าจะเอาอะไรมาก่อนอะไรมาหลังผมทดลองมาเยอะนะฮะจนกระทั่งได้ไอ้ตัวนี้ออกมาเนี่ยที่เป็นเสียงระตับที่คุณฝังมันอยู่นะแล้วก็เรื่องของระยะเวลาระยะเวลาที่เซฟที่สุดคือเวลาที่สั้นที่สุดผมทดลองแค่ตรงนี้ก่อนนะฮะไอ้ย่านหนึ่งที่จะใช้ปลุกเนี่ยคือใช้เวลาหนึ่งนาทีมันออกมาได้ประมาณหกนาทีรวมเสียงดนตรี ด, ด้วยเดัะนั้นตรงเนี้ยเดี๋ยวก็ลองเข้าไปเรื่อยๆผมก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆนะแต่ยัง เมื่อกี้พอมีประสบการณ์แล้วว่าสมองส่วนหน้าพอมันเลิกเลิกดื้อนะเลิกเลิกที่จะพยายามทำตัวเกเรเนี่ยมันจะรู้สึกสบายใช่มันจะรู้สึกเบานะอันนี้คือหลักฐานอย่างหนึง่งว่ามันแอว่ามันสมดุลสำหรับตัวเรานะครับเอาครับคาถามเชิญครับ ถามนิด น, นึงนะคะคือเวลาฟังไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าพอฟังไปสักระยะหนึ่งเราก็จะนิ่งนิ่งแล้วทีนี้ถ้าเกิดมันมาจุกที่เอ๊ะทำไมเสียงมันหายไปอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงต่อคือน่าจะเลยจนช่วง <ผม S 1> ช่ว ง, งที่ทแล้วหรื อ, อยังฮะยังเมื่อกี้ยังเหรอเอ๊ะไม่น่านะแสดงว่ามันมีข้อขัดข้องทางเทคนิคนะคือถ้าถ้าหากใครมีปัญหาในการเล่นแบบสตรีมนะผมพบในแอนดรอยนะ ให้ดาวน์โหลดเนี่ยดาวน์โหลดไว้ในเครื่องเนี่ยอาจจะดาวน์โหลดด้วยพ c ซนะครับหรือถ้าทำเป็นเนี่ยในมือถือจริงๆมันก็ทำได้นะมันจะต้องมีซอฟต์แวร์อีกตัวนี้เป็นอ็มพ a ทีเพลและเป็นแบบที่มันสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยนะเดี๋ยวเดว๋ต้องลองลองกลับไปเอาใหม่นะเดี๋ยวเชิญข้างหลังเนี่ยฮะคือถ้าถ้าจบดีเนี่ยต้องหกนาทีนหกนาทีเสร็จเสหนาทีส <6 S 2> ิบห้าวิ ครับเออคือผมทําไปไม่ว่าเรารู้สึกเหมือนไม่ไม่แน่ใจว่าถูกทางหรือเปล่าก็คือว่ามันเหมือนว่ามันหลับนะครับก็ไม่รู้ว่ามันหลับหรือว่ามันมันเป็ น, อ, นอย่างไรคระบผมให้ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ตอนเนี้ยรู้สึกเบาไหมใช่ไหมนั่นคือเราไม่ได้พยายามทําสมาธิแล้วถึงแม้เราจะไม่รู้สึกตัวสมองก็ถูกจูนอยู่ดีถ้าตามใดที่มันยังมีเสียงส่งไปกระทบแก้วหูได้ แต่ที่มันจะเวิร์กเต็มที่มีเอฟเฟกซ์ซีจริงๆเนี่ยนะก็คือว่าเราต้องได้ยินเราต้องได้ยินด้วยแล้วก็เหมือนสมองเปิดรับด้วยไม่คาดหวังไม่พยายามทําความสงบเพราะมันจะสงบเองอยู่แล้วนะเราแค่รับรู้ความต่างระหว่างลมหายใจไปเรื่อยๆคือถ้ามันรู้สึกถึงเนะี่ยว่าบางทีก็หายใจยาวนะบางทีก็หายใจสั้นลงหรือหลายๆคนเนี่ยพอ ภาวะร่างกายเริ่มเข้าสู่โหมดยืดหยุ่นนะมันจะรู้สึกหายใจยาวไปไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้แหละถ้าหากว่าเราสังเกตอยู่เราก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่เราลมหายใจเข้ามันยาวมันจะมีความสุขเป็นสุขแบบสดชื่นทุกครั้งที่ระบายออกได้แบบคลายอึดความอึดอัดนะมันก็จะเป็นสุขแบบผ่อนคลายความเครียดนะแล้วถ้าหากว่าหยุดอยู่หยุด อ, อ, อยู่แบบนิ่งๆไม่เร่งร้อนที่จะเอาลมหายใจเข้ามาใหม่นะ มันก็จะรู้สึกว่าเอออยู่นิ่งๆก็ได้สบายดีมีความรู้สึกขึ้นมาเนี่ยสามจังหวะเนี่ยวนไปเวียนมาจนกระทั่งเกิดความแน่ใจว่าความสุขอันเกิดจากการหายใจเนี่ยไม่เที่ยงสุขมีสุขหลายแบบสุขแบบสดชื่นสุขแบบผ่อนคลายสุขแบบเออไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่นิ่งๆนะแล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันก็อาจจะกลายเป็นความรู้สึกว่าหายลมหายใจเนี่ยมันสั้นลงร่างกายมีความอึดอัดมากขึ้นนะ ตรงนี้มันจะเริ่มได้ข้อสรุปทางจิตนะไม่ใช่ทางความคิดนะได้ข้อสรุปว่าสุขหรือทุกข์ก็ดีเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเดิมไอ้ที่นึกว่าเป็นเราสุขแล้วจะต้องสุขตลอดไปมันไม่ใช่มันเป็นแค่อุปทานบางคนเผชิญกับปัญหากดดันมากๆนะมีความทุกข์แล้วก็เชื่อว่าตัวเองไม่สามารถออกจากความทุกข์ได้จนกลายเป็นซึมเศร้านะรู้สึกว่าตายเมื่อไหร่สบายเมื่อนั้นตรงนี้ก็เป็นอุปทานอีก นะมาเห็นชัดๆเลยจากการรู้จากการดูภายใน6นาทีนี้แหละสรุปก็คือว่าเมื่อกี้ถึงแม้ว่าจะหลับไม่เป็นไรเดี๋ยวลองรอบสองคุณจะพบความต่างไปเพราะตอนเนี้ยสมองเริ่มถูกจูนแล้ว ท, ที่ให้หาหลักฐานจากความรู้สึกว่าตอนเนี้มันเบาใช่ไหมตอนเนี้มันรู้สึกปลอดโปร่งใช่ไหมเดี๋ยวพอทําครั้งใหม่อีกรอบหนึ่งนะมันจะรู้สึกว่าไอ้นี่ยต่อกันติดแล้วคือสมองเนี่ยเริ่มถูกปลูกให้ พร้อมที่จะรับการจูนนะโอเคคำถามต่อไปครับเชิญครับใ <c oughs> รู้สึกว่ามันมีมีความสั่นสะเทือน่ะคะตัวมันจะยกนิดนิดแล้วก็ประยกไปสักพักหนึ่งมันก็จะนิ่งอ่าอย่างที่เห็นนะคือแต่ละคนจะมีรีสปอนส์ออเสียงแตกต่างกันไม่จาเป็นต้องเหมือนกันแต่ได้ข้อสรุปแบบเดียวกัน อย่างตอนเนี้เหมันรู้สึกดีใช่ไหมเอาความรู้สึกก่อนคือตอนเนี้ยมันไม่ถึงกับโล่งนะไม่ไม่ไม่โล่งเหมือนคนข้างๆเพราะว่าในหัวเราอ่ะเป็นคนคิดคิดเยอะนะเวลาคนคิดเยอะเนี่ยถึงแม้จะสงบเนี่ยมันจะสงบเหมือนมีอะไรตกค้างอยู่ถูกไหมไอความรู้สึกตกค้างตรงนี้ถ้าหากว่าเราสังเกตว่าในแต่ละรอบที่เราฟังเสียงสติแล้วสังเกตลมหายใจไปด้วยเนี่ยนะะ สิ่งที่ตกค้างมันจะน้อยลงเรื่อยๆไอ้ที่นึกว่าความคิดที่ตกค้างอยู่ในหัวคือตัวเรามันจะค่อยๆหายไปหรืออย่างน้อยเจือจางลงจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนะยมานได้ข้อสรุปขึ้นมาว่าเฮ้ยความคิดเนี่ยไม่ใช่เราจริงๆแล้วเป็นแค่ภาวะของสมองเป็นภาวะกรุงแต่งของสมองจิตกับความคิดมันเป็นคนละส่วนกันจิตมีหน้าที่รู้ความคิดมีหน้าที่คิดนะฮะความคิดเนี่ยเป็นแค่คลื่นไฟฟ้าในสมอง มันไม่ใช่ตัวเรามันผ่านมาแล้วผ่านไปแบบไม่กลับมาอีกนะแต่เรานึกว่าเป็นตัวเราอยู่เรื่อยๆเพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่าสัน ต, ติหรือความสืบเนื่องของอการเปลี่ยนแปลงมันมันเปลี่ยนไปเหมือนกับน้าไหลอะ่ะแล้วเห็นว่ามันเป็นสายน้ำเดียวกัน ท, ทั้งทั้งที่ไม่ใช่นะมันเป็นคลื่นน้ำที่เปลี่ยนระลอกไปเรื่อยๆไม่ใช่อันเดิมนะน้ำเนี่ยไม่ใช่ชุดเดิมนะ แต่มันมันไหลต่อเนื่องมามีน้ำใหม่แล้วก็เตียน้ำเก่าไปแต่เรานึกว่ามันเป็นของเดิมผมเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้เหมือนกับพวกเราเนี่ยเป็นบุนยนเป็นหุ่นยนต์ AI ที่มีสารอินทรีย์เข้ามาปลูกไว้ในสมองนะสามารถทำให้เกิดการรับรู้ได้ทั้งๆ ท, ท, ที่จริงๆเริ่มตน้นเดิมทีเนี่ยนะมันไม่รู้อะไรเลยมีแต่ เครื่องยนต์นกลไกมีแต่แบตเตอรี่มีแต่แผงวงจรมีแต่ไอเศษเหล็กอะไรที่ ม, มันประกอบกันเป็นหุ่นยนต์แล้วก็ถูกโปรแกรมหลอกว่าเนี่ยมีตัวตนกระแสะไฟฟ้าเนี่ยเป็นผู้ไหลไปเป็นผู้โ flow ไปแล้วทําให้รู้สึกขึ้นมาแบบนั้นต่อเมื่อถูกโปรแกรมใหม่ทําให้มองเห็นแบบย้อนกลับมาเข้าดูตัวเองนะว่ามันประกอบขึ้นมาเป็นส่วนๆเนี่ยมีธาตุดินน้ําไบลม นะหรือว่าร่างกายเนี่ยที่มีน้ําเลือดน้ําหนองมีไอกระดูกรนะที่จับต้องได้แล้วก็มีส่วนของความรู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอันเกิดจากการกระทบกระทั่งทางกายแล้วจากนั้นนะมันก็มีความจดจํามีความคิดปรุงแต่งเป็นดีเป็นร้ายทีนี้พอจิตถูกปลุกให้ตื่นขึ้นนะถูกรีเซ็ตให้กลับสู่ความว่างจําไม่ได้ว่ามีความรู้สึกในตัวตนอย่างไรแล้วหันมาพิจารณากายใจตามจริง เห็นว่ามันไม่เที่ยงแสดงความไม่เหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลาในที่สุดมันจะได้ข้อสรุปว่าเออไม่มีตัวเรานี่นะตกลงเนี่ยไอ้ทิกนึกว่ามีตัวตนมาตลอดเนี่ยจริงๆก็ถูกหลอกด้วยโปรแกรมอะไรแบบหนึง่งนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเรายังไม่ได้รู้สึกหลอกว่าตัวเราหน้าตาเป็นยังไงเป็นหญิงเป็นชายรู้แต่ว่าหิวแล้วก็เรียกร้องจเอาเอาหารนั่นเนี่ยจุดเริ่มต้นของความรู้สึกว่ามีตัวเราแน่ๆแล้ว นะถ้าไม่ได้ก็แหกปากไปอยู่นั่นแหละแต่ถ้าได้มาก็เออรู้สึกพอแล้วสบายแล้วก็หลับต่อเนี่ยจุดเริ่มต้นของตัวตนมันมาจากตรงนี้ถ้าจะฆ่าความรู้สึกในตัวตนหรือว่าทําลายอุปทานทิ้งนะมันต้องมาศึกษาจนกระทั่งเกิดสัมมาทิฏฐิแล้วอย่างในเมืองเราเนี่ยอาจจะอาศัยเครื่องช่วยแบบนี้แหละเครื่องพุ่นแรงแบบนี้ปัดเป่าความฟุ้งซ่านออกก่อนจนพื้นที่สมองมันเคลียร์มันโลง่ง แล้วถึงจะกลับไปพิจารณาได้แบบไม่มีความเข้าข้างตัวเองนะครับเชจนคําถามต่อไปครับครับเชินครับค่ะจนครับพึ่งพอดีเมื่อเมื่อคืนนี้นอนแล้วตื่นมาเมื่อเช้านี้ฝันนะะฝันว่าเหมือนกับเ อ, อเพื่อนเอาขนมมาให้กินแล้วเจงวิ่งอยากไปกินแล้วตื่นขึ้นมาทํางานอันนี้เป็นเป็นนักใส่ไงคะอันนี้ถือว่าฝันดีที่ค้งค้าง อาดใจนะคือ <c oughs> เหมือนเราแค่ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้อิ่ยังไม่ได้สิ่งที่ได้มาแหนะอ่ออย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ฝันร้ายเพราะามันมีความหวังฝันจําไว้แนะบทบาทของความฝันที่สําคัญที่สุดตัดสินกันช่วงที่เราตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกยังไงอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าถูกหลอกให้หวังถูกหลอกให้อย่างแล้วจากไปนะ ไอ้นี่อย่างน้อยมันมีข้อดีตรงที่เราตื่นขึ้นมาด้วยความหวังถึงแม้ว่าจะยังคาใจยังไม่ได้สมใจอะต่างคนตราบใดยังมีความหวังตราบนั้นเนี่ยความทุกข์มันยังไม่ท่วมทับนะนี่คือความหมายนะครับขออนุญาตอีกคําถามหนึ่งค่ะทุกท่านขออนุญาตนะคะอาจารย์คะเวลาแผ่เมตตานะคะสงสัยว่าจะเอ่อถ้าแผ่เป็นแผ่ในใจหรือว่าแผ่ออกเสียงแล้วแผ่เป็นภาษาบาลีหรือว่าแผ่เป็นภาษาไทยอย่างเมื่อกี้นี้ไง คือเราจะมาเอาเข้อสรุปร่วมกันว่าจริงๆแล้วการบริกรรมสัเพเทศตาก็ดีหรือว่าการตั้งใจว่าฉันจะแผ่ให้คนนั้นคนนี้ก็ดีเนี่ยมันเป็นแค่ความคิดมันเป็นแค่ย่านหนึ่งของเบตา้ามันยังไม่ลงมาอัลฟาที่สองตอเมื่อเรามีความรู้สึกผ่อนคลายสงบสุขอย่างน้อยขั้นต่ำคืออัลฟาตรงนั้นอัลฟาเนี่ยแทบจะไม่มีเสียงในหัวแล้ว มันไม่อยากคิดแล้วคีดเกียจคิดแล้วนะไม่จําเป็นต้องสัพเพียสัตตก็ได้แต่แค่มีความสึกว่าเออเรามีความสุขอย่างนี้แล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนที่อยู่นอกตัวของเราอยู่ตรงหน้าก็ดีตรงหลังก็ดีซ้ายก็ดีขาก็ดีเนี่ยได้มีความสุขแบบเดียวกับเราได้ประสบรสเดียวกันกับเราไอ้เนี่แหละแผ่เมตตาแล้วนะแล้วถ้าหากว่าสามารถล็อกความสุขที่มันกว้างขวางออกไปเนี่ยได้นานอันนี้ยิ่ง มีแนวโน้มจะเกิดสมาธิแบบเมตตาที่เรียกว่าเมตตาอภัยมัญญาคำว่าเมตตาอภัยมัญญาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกสุขกว้างไกลนะเมื่ อ, อครู่นี้ผมผมขอความร่วมมือนิดนึงนะใครมีความรู้สึกว่าแผ่เมตตาขนาดแผ่เมตตาเนี่ยมันแผ่ไปได้ไกลๆบ้างช่วยยกมือหน่อยนะครับอ่าอย่างน้อยมีให้ใจชื้นอยู่สามท่านนะคืออันนี้เราเพียฝังรอบแรก แต่ถ้าฟังไปหลายๆครั้งจะกระทั่งมันเคลียร์จริงๆแล้วมีความสุขว่าความสุขอันเกิดจากการหัวโล่งความสุขอันเกิดจากการไม่คิดเบี่ยนเบียนกันเนี่ยมันเป็นของดีนะแล้วเคยชินสะสมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะมันจะมีศักยภาพที่จะแผ่ออกได้ไกลขึ้นเรื่อยๆตรงนี้มันจะชัดเจนว่าเราไม่ต้องมาสวดสัพเพสัตาก็ได้ตอนพระพุทธเจ้าสอนท่านไม่ได้สอนสัพเพสัตานะ ท่านสอนว่าเมื่อมีความสุขมีความโล่ง ม, มีความเบาอันเกิดจากการวางความอาฆาตสีได้ให้รักษาความสุ ข, ของนั้นไว้แล้วแผ่ออกในทิศสัมาๆนี่คือของแท้ตั้งเดิมจากต้อําำรับการแผ่เมตตานะคือพระส า, าสดานะครับโอเคครับคาถามต่อไปครับเชิญครับเชิญครั บ, รบ เ, ดเดี๋ยวขอไมค์แป๊บหนึ่งนะจะได้ได้ยินตัวกันค่ะี ท่านอาจารย์สลานค่ะคือขอขอคำถามเอินเป็นอิสลามนะคะแต่ก็คือชอบที่จะมามาคุยกันเยอะ <มา S 2> องความรู้ ค, ค่ะคือชีวิตในชีวิตประจำวันทุกคนหนีหนีไม่พ้นความเสี่ยงที่เรียกว่าความเครียดความวิตกกังวลแล้วทำให้เรานอนไม่หลับแต่วิธีของการดำเนินชีวิตของแต่ละคนก็มีวิธีปรับแก้ กวมีมีแนวทาง ท, ที่ทึ่ไม่เหมือนกันถ้าอู่สนามก็คืออ่านพระมาหาคัมภีร์แล้วก็ละหมาดก็จะติดใจก็จะสงบขึ้นแต่เมื่อไอตรงตรงตร ง, ตรงความเครียดตรงเนี้ยเมื่อลุมเล้ามาเนี่ยหนูเคยไปหาหมอนอนไม่หลับเล้ล่างสี่แผ่นค่ะอยากขเครียดแล้วรถมาไหนก็เป็นอยาไคลความวิตกกังวลทีนี้จะบริหารจิตอย่างไร จะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยที่เราไม่ต้องไปไปพิ่ออยงยา อ, อย่างที่ผมพยายามเก็บตัวอย่างมานะแล้วหาหลักฐานนะฮะก็คือว่าพอเราฟังเสียงสติเวอร์ชันเวอร์ชัน เ, เลขหนึ่งเนี่ยนะไปเรื่อยๆเนียเตของความเครียดมันจะน้อยลงเพราะว่าเราคิดถูกทาง ม, มากขึ้นคิดตรงประเด็นมากขึ้นแยกออกว่า อารมณ์ไหนที่ไม่ควรจะเอาไว้หรือคนไหนในชีวิตเนี่ยที่เราไม่ควรจะไปใส่ใจอันเนี้ยมันจะช่วยอยู่แล้วอันที่สองหมายเลขสองเนี่ยนะเสียงเพื่อช่วยแผ่เมตตาเนี่ยนะ น, นี่ไม่เกี่ยวกับศาสนามันเป็นเรื่องของขึ้นสมองนะถ้าถ้าเราฟังนอนทุกคืนช่วยให้หลับช่วยให้สบายนะมันจะเป็นการนอนในแบบที่เรียกว่ามีการรีสโตสุขภาพขึ้นมาใหม่ ปกติคนเนี่ยไม่ได้หลับแบบที่มันจะฟื้นปูสุขภาพมันจะหลับแบบหลอกย้ำเข้าไปอีกซ้ําเติมเข้าไปอีกด้วยการฝันน้ายหรือด้วยการมีความรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันปรากฏในความฝันเนี่ยนะฮะเป็นภาพหลอนเป็นภาพไม่ดีเป็นภาพกดดันเป็นภาพของความรู้สึกว่าชีวิตเป็นเรื่องน่าตื่นตะานะแต่พอฟังเสียงเพื่อช่วยแผ่เมตตาตอนหลับมันจะหลับแบบ ตัวเบาใจเบาลองลองฟังใบทุกคืนแล้วสังเกตวิธีคิดของตัวเองหลังจากผ่านไปสักยี่สิบวันจะพบว่าวิธีคิดของเราเนี่ยเริ่มเคลื่อนเคลื่อนจากจุด a ไปสู่จุด b พอเคลื่อนไปสู่จุด b ได้นะมันจะเห็นอะไรแตกต่างไปแล้ววิธีคิดเนี่ยมันจะพอแตกตา่างตามไปด้วยตรงนั้นแหละที่ตัวสองวันนี้นะ เราเราพูดกันเรื่องทุนแรงเครื่องทุนแรนแต่เราต่อยอดด้วยมุมมองของเราเองที่เราจะเลือกถ้าเราเลือกที่จะมองในในทิศทางที่มันโปงที่มันโล่งเราจะรู้สึกหัวโลงมากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าถึงจุดหนึ่งนะไม่ต้องมีเสียงสติมาช่วยมันก็เกิดสติอยู่เองมีความหัวโล่งได้เองจากมุมมองที่เราเลือกใหม่แล้วนั่นแหละอ่า ผมขออีกคําถามเดียวนะเพราะว่าเหลือเวลาสามนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะขอคําถามสั้นๆแล้วผมจะตอบสั้นๆ น, นะก่อนที่เราจะแผ่มเมตตาร่วมกันอีกรอบหนึ่งแล้วคราวนี้จะดูผลนะเนื่องจากว่าสมองของทุกทุกคนเกือบทุกคนนะถูกแอคทิเวตขึ้นมาแล้วนะให้พร้อมที่จะถูกโจมแล้วก็ข้อสงสัยต่างๆเนี่ยมันเริ่มคลายลงนะครับอขอคํำถามสุดท้ายนะครับมีไหมคะมีไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวงั้นเราอ มาเริ่มกันใหม่นะรอบสุดท้ายมีแล้วป่าฮะโอเคไม่มีนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่นะครับจะใช้เวลาประมาณหกนาทีนะ ใช่ครับอันแรกเหมือนเดิมครับเพราะว่าอันที่สองเนี่ยคือผมบอกว่ามันเหมาะกับการแผ่เมตตก็จริงนะแต่ตอนนี้เราอยู่ในท่านั่งกันอยากให้สติตื่นเต็มมากกว่านะครับ ต้องดืงตานะฮะสำหรับคนที่เสียงหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแผ่เมตตาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะจุดเริ่มต้นของการแผ่เมตตาคราวนี้นะครับขอให้สังเกตว่าเรานั่งกอตั้งหลังตรงไหมเรามีความรู้สึกก่อนทลายสบายฝ่าเท้าสบายฝา่ า, า, ยฝามือสบายทั่วใบหน้าไหมถ้าหากว่ามันมีอาการผ่อนพักผ่อนคลายทั้งตัวแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเรามี มีฐานของความพร้อมจะแผ่เมตตาแลนะสำรวจเข้าไปที่ใจนะถ้าใจมันเบาถ้าใจมันมีความสุขถ้ารู้สึกว่าเหมือนกับสติมันตื่นขึ้นนะจิตใจง่ากกว่าปกติเนี่ยก็แค่ทําการรับรู้นะว่าเรากําลังมีความสุขที่พร้อมจะแผ่ออไปวิธีแผ่เนี่ยไม่ใช่พยายามผลักดันมันออกไปนะ เอาแค่ว่าเนี่ยตาที่หลับอยู่เนี่ยนะเราแค่เหมือนกับมองตรงๆผ่านหนังตาออกไปนะมองไกลๆเลยเหมือนกับมองขอบฟ้าทะเลอยู่แล้วให้สัมผัสว่าความรู้สึกเป็นสุขนี้เนี่ยนะมันแผ่ออกตามโฟกัสสายตาของเราที่มองไกลออกไปได้จริงๆใจเปิดใจแผ่ใจว่างมันก็คือความรู้สึกนั่นแหละ ถ้าหากรู้สึกเป็นความสว่างถ้าหากรู้สึกเป็นความบุณแล้วเริ่มสัมผัสถึงกระแสที่อยู่รอบตัวเนี่ยที่ก็มีความสุขแบบเดียวกับเราไล่เรียกับเราหรือว่าประมาณเดียวกับเรานะหรืออาจจะใหญ่กว่าเราก็แค่รับรู้เหมือนกับคนที่กระโจนลงน้ำไปแบวกว่าอยู่ในมหาสมุทรความสุขเดียวกันเราจะพบว่าความสุขแบบนี้มันไม่มีการเบียดเบียนกัน มันมีความว่างมันมีความโล่งจากอาการคิดร้ายต่อกันมันจะคิดไม่ออกว่าอยากด่ากันไปทำไมคิดไม่ออกว่าจะทาร้ายจิตใจกันไปทำไมแล้วก็สัมผัสว่าเนี่ยที่มันเป็นกระแสใจที่มันมีความสุขอยู่อย่างนี้เนี่ยนะฮะมันดีอยู่แล้วและกระแสใจที่มีความสุขของคนอื่นมันก็ดีรับกันจูนกันติดอันนี้ก็จะกลายเป็นมหาความมหาสมุดแห่งความสุขนะที่สร้างมาด้วยกัน แล้วเราจะอยากให้ทั้งโลกเนี่ยเป็นแบบนี้เช่นกันเอาละครับสำหรับแต่ละท่านนะถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ยังน้อยนะน่าจะเริ่มรู้สึกได้ถึงความสุขอีกแบบหนึ่งนะลดความสุขอีกแบบหนึง่งเป็นความสุขที่แผ่ออกไปจากตัวนะครับแล้วก็คุณสามารถเอาไปฝึกใช้เอาไปฝึกทา ได้ตลอดชีวิตที่เหลือนะผมขอความร่วมมือนิดนึงรู้สึกถึงความอ่อนโยนนะรู้สึกถึงความสุขที่มันไหลเวียนอยู่รอบห้องมากขึ้นนะขอถามนะเอาตรงๆนะไม่ต้องปืนนะครับยกมือ น, นะครับใครมีความสุขบ้างครับที่เมื่อครู่นี้ได้แผ่เมตตานะขอขอช่วยยกมือเลยนะครับผมผมจะได้อ่ะ มันชัดเจนนะว่ามีความสุขมากขึ้นสําหรับท่านที่ยังดาวน์โหลดไม่ได้หรือว่ามีข้อดิจขัด ท, ทางเทคนิคอะไรก็แล้วแต่ก็จะลองไปจ ะ, จะลองไปทําดูเองที่บ้านก็ได้มันจะแตกต่างกันนิดนึงกับ ต, ตอนที่เราแผ่มเมตตาร่วมกันแต่อย่างน้อยที่สุด น, นะมันจะเออ่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งเราสา ม, มารถสัมผัสได้ถึงความสุขของเราเองที่มันใหญ่เกินความสุขภายนอกนะครับ ความสุขภายนอกตอนนี้หายากเรา ว, ว่าความสุขภายในของเราถ้าหากว่าสร้างขึ้นมามากๆนมันก็เอาตัวรอดจากความทุกข์ภายนอกได้เหมือนกันเดี๋ยวก่อนจะจบลงนะครับ อ, อ, อ, อันเนื่องจากแผ่เมตตารอบสองใครมีข้อสงสัยอะไรติดอยู่ในใจไหมอันนี้มีเวลาประมาณสองสมนาทีนะครับมีไหมครับ ครับเอยากทราบว่าเราทํานี้มีกําหนดไหมคะว่าวันหนึ่งต้องกี่ครั้งหรือว่าไม่ควรมากมน้อยเท่าไหร่เฉพาะตัวอข อ, ของบางคนไงคือถ้าทําไปแล้วมันรู้สึกเหนื่อยก็ไม่เป็นไรนะะแต่ถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยจากการงานแล้วมาทําแล้วรู้สึก ส, สดชื่นขึ้นนะมีกําลังมากขึ้นก็ให้ทำบ่อยๆทาได้มากเท่าที่ต้องการนะ อันนี้แม้แต่เวอร์ชันแรกเสียงเพื่อขยายขอบเขตการรับรู้เนี่ยทำบ่อยๆก็ได้นะรีพีทก็ได้นะครับโอเคคง ม, มีคำถามเรื่องว่าจะไปกินอะไรดีกันมากกว่าแล้วนะ <c oughs> โอเคก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมกันแล้วก็แชร์ประสบการณ์ภายในด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ ขออนุยานะคะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ทางสำนัก ง, งานเศรษฐกิจการคลังนะคะก็ต้อง ขอบคุณคุณดังทรีนมากๆนะคะที่ที่เสียสละเวลาแล้วก็มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะซึ่งเชื่อว่าตั้งแต่ตั้งแต่ตอนลงทะเบียนละมีคนที่สนใจทใี่อยากจะมาฟังคุณดังทรีนมากนะคะคนที่มาช่วงคนแรกๆเนี่ยนั่งกันแถวหน้าแถวสองแถวสามนะคะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์มากๆที่ที่โครงการบรรยายนธรรมะครั้งนี้นี่มีคนคนคนสนใจประมาณร้อยคนแล้วก็มี w อล k กอเข้ามาเพิ่มด้วยนะคะอาหารว่างที่เราเตรียมไว้เรียไม่พอเลยนะคะแล้วก็ หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์นะคะเห็นความสําคัญของการบริหารจิตของตัวเองนะคะนอกเหนือจากที่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะอาจจะไม่คิดว่าการบริหารจิตเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเราก็แค่คิดว่าถึงบ้านเราทํางานเสร็จพักผ่อนก็คือเพียงพอแล้วนะคะสำหรับวันนี้ที่ได้มาฟังคุณดันริงก็น่าจะทําให้อ่าได้ได้เข้าใจว่าเราจะกลับไปดูแลจิตของเรายัางไงนะคะได้เข้าใจถึงเครื่องสมองว่ามันมีเครื่องอะไรบ้างแต่ละเครื่อ มันมีความต่างกันยังไงเราต้องทําให้มันเกิดความสมดุลนะคะพอพอคลื่นสมองมันมีความสมดุลเนี่ยใ น, นการทํางานนะคะเราก็จะได้เกิดเกิดเขาเรียกว่าเ อ, อรู้ว่าเราเราเร า, เราควรจะทําอะไรมุ่งมั่นกับอะไรแล้วก็เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก็ปล่อยผ่านมันไปนะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณคุณอันตรีมากๆแล้วก็ขอรบกวนให้ทางผู้เข้าร่วมปรบมือเป็นการขอบคุณให้กับท่านยากักษ์กรด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะขออนุญาตแบบประเมินผลนะคะขอให้ทุกท่านช่วยกรอกเป็นข้อมูลให้กับทางทางผูาาง้จัดด้วยนะคะเราจะได้นําไปปรับปรุงนะคะแล้วก็ส่งได้ที่น้องลงทะเบียนนะห้อูลทะเบียนด้านๆนะคะหรือจะคว่าไว้ที่โต๊ะก็ได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ